ข้าราชกรญาติโยมสาธุชนท้งนักครูแล้วก็ผู้ปกครองแล้วก็ผู้สนใจทุกท่านเมื่อปีที่แล้วตา ม, มาได้เนือกาดจาริกไปยังประเทศอินเดียแต่ว่าไม่ได้ไป อ่าักระสังเวชนิสฐานนะแต่ว่าไปจาริกไปเปิ้น้ำคงคาแต่สิ่งที่จะเล่าเนี่ยอ่าไม่ใช่เกี่ยวกับจาริกซึ่งก็ที่จริงก็มีความน่าสนใจเพราะว่าเป็นเส้นทางที่ชาวอินเดียเด็กพวาชาวอินดูและก็ชาวซิกเขาจาริกกัน แล้วก็ไปค่อนข้างยากนะเพราะว่าต้นน้ำคงคาที่อลึกอยู่ไกลต้องเดินต้องเดินขึ้นเขานะเป็นวันวันจะนั่งล่อนั่งม้าก็ได้นะแต่ว่ามันไม่สะดวกหรือว่าไม่ท้าทายต่อการเดินแต่จะไม่เล่าตรงนั้นนะแต่จะเล่าถึงจะเรียกว่าเป็นนิทานก็ได้นะ ที่จะม า, าได้รับรู้ในช่วงที่อยู่อินเดียเป็นเรื่องของอาจารย์ที่เป็นครุษมีลูกศิษย์ลูกหาเยอะชื่อว่าวิชนุนะวิชนุนี่ก็มีสิท์ที่เป็นสิทธิ์เด่นนะอยู่สองคนคนหนึ่งชื่อไทยอีกคนหนึ่งคือจิตนะ เป็นผู้ชายสองคู่นะน้าชายเนี่ยเขาก็มีความรู้สึกว่าอาจารย์เนี่ยไม่ค่อยให้ความสำคัญกับเขาเท่าไหร่นะจะไปโปรดรานลูกศิษย์อีกคนที่ชื่อจิตมากกว่าอาจารย์ก็ทราบนะว่าลูกศิษย์ที่ชื่อชัยเนี่ยเขาคิดยังไง แต่อาจารย์ก็ไม่ได้พูดหรือว่าอธิบายเหตุผลบัณฑนนงอาจารย์ก็เรียกลูกศิษย์สองคนมาแล้วก็พาไปที่ห้องมีมีห้องเปล่าอยู่สองห้องในอาคารห้องก็ขนาดาใหญ่กว่าอาภูติพระ หรือประมาณสักหนึ่งในสีข่ของของของห้องประชุมนี้แหละนะแล้วก็ให้เงินลูกศิษย์เนี่ยคนละหนึ่งรูปีหนึ่งรูปีนี่มันถือว่าเล็กน้อยนะยิ่งถ้าที่เป็นเงินไทยแล้วก็ถือว่าน้อยมากแต่แม้จะเทียบกับเงินอินเดียก็ถือว่าน้อยแล้วก็บอกว่าเนี่ยอยากจะให้ลูกศิษย์ทั้งสองคนเนี่ย ทำยังไงก็ได้เพื่อให้ห้องของแต่ละคนเนี่ยนะมันเต็มมีห้องสองห้องก็ให้แต่ละคนเนี่ยนะรับผิดชอบแต่ละห้องไปอยู่ไม่ไกลกันนักอาจารย์ให้คนละหนึ่งรูปีได้มอบหมายให้ทําอะไรก็ได้เพื่อให้ห้องที่มันเต็มชายเนี่ยนะเมื่อได้เงินมาหนึ่งรูปี แต่ก็รีบไปที่ตลาด ท, าทันทีแต่ว่าไม่ว่าจะซื้ออะไรเนี่ยมันก็ซื้อได้ที่ไต้หน่อยเพราะหนึ่งรูปีมันน้อยมากทํายังไงจะให้ห้องนี้เต็มแล้วแกก็ได้ความคิดแกก็ไปที่โรงขยะแล้วก็เจรจากับคนที่ดูแลที่เก็บขยะยขอซื้อขยะหนึ่งรูปี ก็ได้คำตอบสบายมากเลยนะได้เยอะเลยหนึ่งรูปีเนี่ยชายนี่ก็ขนขยา น, นี่เข้าไปในห้องที่ตัวเองดูแลจนเต็มนะเรือเดือล้นด้วยซ้ำนะและแ้วแกก็ภูมิใจว่าเออเราทำสำเร็จละส่วนจิตเนี่ยเยมื่อได้หนึ่งรูปีมันก็ใบสลากหมืงนัแต่ก็ไม่แกก็ไม่รีบร้อนอะไร แล้วกก็ไปซื้อไม้ขีดไฟซื้อประทีศแล้วก็ซื้อเทียนซื้อทูอ่อาเทียนเทียนเนีระทีศแล้วก็เทียนกลับไปที่ห้อ ง, องตัวแล้วก็จุดนะจุดเทียนจุดประทีศตอนนั้นเป็นเวลากลางคืนห้องของเขาเนี่ยนะก็ เต็ ม, มด้วยแสงสว่างแล้วก็อบอวลไปด้วยกลิ่นกลิ่นหอมกลิ่นมะลิกลิ่นจัน์ไม่จัำเมื่อได้เวลานะอาจารย์ก็มาก็ไปที่ห้องของชัยก่อนพอเปิดห้องอาจารย์ก็พลงงาเ น, นะว่ากลิ่นขยนันมันตลบอบอวลนะเต็มห้องเลย แต่พอไปห้องของจิตเนี่ยพอเปิดประตูมาก็เห็นแสงสว่างนะนะสีนวล น, นะเต็มห้องแล้วก็มีกลิ่นหอมอาจารย์ก็ยิ้มเลยนะรู้สึกว่าโอ้เป็นภาพที่งดงามทั้งหมดนี้เนี่ยนะก็มีชายแล้วก็จิต น, นะรับรู้เหตุการ์ด้วย ถึงตรงนี้เนี่ยชัยก็รู้แล้วว่าอาจารย์เนี่ยชอบห้องไหนแล้วก็เลยเข้าใจว่าทำไมเนี่ยอาจารย์เนี่ยจึงปรดปราลูกศิษย์ที่ชื่อจิตมากกว่าสองคนเนี่ยนะตอบโจทย์อาจารย์ได้ทั้งคู่นะเงินหนึ่งรูปีนี่ก็สามารถทำให้ห้องของตัวนีงเต็มแต่ห้องหนึ่งเต็มไม่ได้คืออย่าง อีกห้องหนึ่งเนี่ยนะเต็มไปด้วยกลิ่ น, น, นหอมและแสงสว่างที่ภาพตรงนี้เนี่ยนะมันก็สะท้อนให้เห็นอึงนะถึงวิธีคิดของคนนะที่แตกต่างกันชายเนี่ยนะเขาคิดแต่ในเชิงวัตถุเวลา พูดถึงการทำให้ห้องให้เต็มเนี่ยแกทึกเกิดคิดถึงแต่ว่าทําไงเนี่ยจะหาวัตถุมาเติมเต็มห้องนั้นส่วนจิตเนี่ยนะแกไม่ได้คิดแต่ในเชิงวัตถุคิดในเชิงที่ะละเมียดละมปัประณีตกว่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะก็จึงสามารถจะทำให้ห้องนั้นเป็นห้องที่น่าอยู่ แม้ว่าดูเหมือนจะไม่มีอะไรนะไม่มีวัตถุมาทำให้ห้องนี้มันเต็มแต่ก็เต็มนะเต็มด้วยแสงสวา่างเต็มไปด้วยกลิ่นหอมที่อบอวนเรื่องนี้เนี่ยไม่ได้ชี้เห็นถึงความไม่ได้ชี้ถึงแค่ว่าใครฉลาดกว่าใครเท่านั้นนะแต่มันงสะท้อนเน็นถึงมุมมองนะของคนเราด้วยใยและจิตเนี่ยแล้วก็เป็นตัวแทนของ คนในโลกนี้ที่ ม, มีมีมุมมองต่างกันอยู่สองประเภทประเภทหนึ่งเนี่ยนะจะคิดในเชิงวัตถุเวลาเวลาจะตอบโจทย์เนี่ยก็ยจะตอบโจทยโจ์โดยมองจากโดยอาศัยวัตถุเนี่ยเป็นตัวตอบเป็นการตอบโจทย์ด้วยวัตถุอีกประเภทหนึ่งเนี่ยก็ตอบโจทย์นะโดยอาศัยสิ่งที่มันเอ ระเบียดประนีเป็นเรื่องที่มีคุณค่าในเชิงนมามธรรมทั้งเรื่องเนี่ยมันเป็นอุปมาอมุปไมยนะห้องเนี่ยเปรียบสมบัตชีวิตของคนเราหนึ่งรูปปีเนี่ยนะหมายถึงอะไรเป็นตัวแทนหมายถึงเวลาหนึ่งรู ป, ปีมันน้อย มันก็เหมือนกับเวลาในชีวิตคนเราเนี่ยมันสั้นแม้จะยุคเพียงแม้จะยุคถึงหนึ่งร้อยปีก็ยังถือว่าสั้นถือว่าน้อยแต่กี่คนหล่ะที่จะอยู่ได้ถึงร้อยยิ่งสั้นเข้าไปใหญ่คำถามของคนเราเนะเมื่อเกิดมาคือว่าทำไงถึงจะให้ชีวิตเราเนี่ยมันมันได้รับการเติมเต็มหลายคนเนี่ยถ้าพูดถึงการเติมเต็มชีวิตเขาจะนึกถึงเรื่องของกันวัตถุ มีวัตถุให้มากเข้าไว้ให้ชีวิตเราเนี่ยมันพรั่งพรอ้วยด้วยวัตถุเงินทองทรัพย์สมบัตินะยิ่งมีเวลายิ่งมีเวลาน้อยเท่าไหร่นี้ก็ยิ่งต้องรีบหนะามาให้เยอะๆนะชีวิตจะได้เต็มอุดมสมบูรณ์แต่ก็มีบางคนนะซึ่งเขาเห็นว่าชี นะมันควรจะเติมเต็มด้วยสิ่งที่มันงดงามสิ่งที่มีคุณค่าความหมายในเชิงนมามธรรมได้แก่แสงสว่างและกลิ่นที่หอมก็จะมาถึงปัญญาและคุณธรรมแสงสว่างก็เป็นตัวแทนงปัญญาความหอมนะก็เหมือนกับความดี คนเราเนี่ยชีวิตและการเติมเต็มและอิม่มเอิมได้เนี่ยก็เพราะว่ามีปัญญาและคุณธรรมหรือความดีแต่คนที่ไม่น้อยเนี่ยนะไม่สามารถจะมองเห็นอย่างนั้นได้นะก็จะเป็นเรื่องที่จะหาของมาเติมเต็ ม, ตมกตบชีวิต แต่สุดท้ายปลายทางแล้วเนี่ยของเหล่านั้นบางครั้งมันก็ไม่ต่างจากขยะนะหมายความว่ามันเป็นภาระเป็นภาระหลายคนเนี่ยหาเงินหาทองมามากมายแต่แล้วเนี่ยก็ทุกข์เพราะสิ่งที่ตัวเองมีสิ่งที่ตัวเองครอบครองทุกข์เพราะทั่ว่าเป็นภาระนะมีรถราคาแพงนะก็ต้องคอยคอยดูแลรักษาให้ดี ไปบ้านของเศรษฐีคนหนึ่งนะเขามีรถชื่อว่าอะไรนะ Lamborghini ใช่ไหมต้องไปจอดต้องปู่ที่จอดรถเนี่ยจะต้องติดแอร์นะเป็นห้องกระจกติดแอร์ทำไมเป็นห้องกระจกเพราะว่าจะได้ดูว่ามีหนูเข้ามาไหมเพอหนูมันก็จะเข้าไปกัดสายไฟ ไ, อ, ไฟอ้สายไฟหรือสายไฟหรือเลยพอาตัวเครื่องเสียงมันแพงมากเลยเป็นแสนแล้วก็ต้องให้ติดแอร์คุม ปรับอากาศตลอดก็เป็นภาระนะถ้าช่วงไหนไฟดับนี่ก็ก็จะกังวลไปจอดที่ไหนก็เกรงว่าจะมีคนมาขโมยไหม ย, ยิ่งถ้าเกิดใช้สัญจรอยู่บางทีรถติดไฟแดงเกิดมีรถข้างหลังมาชนทำให้เสียลอดก็เป็นทุกขนะ์บางทีไปลาดคอคนที่ ชนรถชนหลังรถเนี่ยมาต่อยนะอย่างที่เป็นข่าวนะแล้วตัวเองก็เลยเสียพูดเสียคนแตนะ่เพราะว่าไอ้คลิปที่เขาถ่ายที่ตัวเองตอนต่อยคนที่มาชนหลังรถนี่มันแพร่กระจายไปทั่วประเทศทั่วโลกจนกระทั่งตัวเองนี่ต้องถูกปฏิเสธงานมากมายนะกลายเป็นว่าทุกเพราะรถแล้วก็เสียคนเพราะรถ อันนี้พวกเราอาจจะเคยดูคลิปวิดีโอนี้มันแล้วนะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ว่าบางทีสมบัตินะที่เรา ย, ายามหามาเพื่อเติมเป็นชีิปเนี่ยนะมันกลับกลายเป็นภาระสร้างความทุกข์แล้วก็ทำให้ชีวิตเนี่ยอาจจะไม่ได้งดงามเพราะว่าบางครั้งก็อาจจะเผลอทำชั่วนะ เพื่อที่จะได้มีทรัพย์สมบัติมากมาเช่นโกงหรือว่าหักหลังผู้อื่นหรือว่าขัดแขงขัดขา้าก็กลายเป็นว่าชีวิตนี้ก็ไม่ได้สวยงามไม่ได้ไม่ได้ไมง ด, ดงามชีวิตก็กลายเป็นชีวิตที่มีมลทินดังพลอยนะเพราะการที่ไปทุ่งเทแสวงหาวัตถุมาเติมเต็มชีวิตนิทานเรื่องนี้เนี่ยเขาชี้เห็นว่ การให้คุณค่าความสำคัญกับเรื่องของจิตใจนะเรื่องของสิ่งที่เป็นนมามธรรมก็คือปัญญาและคุณธรรมนะซึ่งก็จริงๆแล้วก็มีหลายความว่าวัตถุไม่มีคุณค่านะวัตถุมันก็มีคุณค่านะแต่ว่ามันควรจะเป็นไปเพื่อทำให้เราสามารถจะเติมเต็นชีพได้ด้วยสิ่งที่งดงามคนเราเนี่ยนัาจะ มีปัญญาสว่างสวยแล้วก็มีติดใจที่งดงามมันก็ต้องอาศัยวัตถุนะั้นเป็นเป็นตัวหลอ่อเป็นตัวยินพื้นนันเป็นตัวคับจุนด้วยเหนี้คาว่าปัจจัยสี่งจึงเป็นสิ่งที่มีความสาคัญในพุทธศาสนาแม้แต่จะปฏิบัติธรรมได้ก็ต้องมีอาหารพอเพียงเวลาจะไปปฏิบัติธรรมเนี่ย พุจาก็ตาก็ต้องให้มีสัพพายะนะสัพพายะนี่ก็ได้แต่หนึ่งการมีสถานที่ที่เลือกูลต่อการปฏิบัติสองมีอาหารนะที่พอเพียงเช่นมีเป็นสถานที่ที่สามารถจะบิณฑบาตเลี้ยงชีพได้เวลาพุทธาไปาไปเยี่ยมพระกลุ่มหนึ่งนะชื่อก็คือพระอนุรุทัะนะพระกิติลักษ์นะ ท่านแยกตัวปรีกวิเวยรยงเสด็จไปแล้วก็ถามประโยคแรกคือว่าเป็นอยู่สุขสบายไหมมีถ บ, บาทพอฉันไหมอันนี้ก็แสดงเห็นว่าเรื่องของวัตถุเนี่ยนะมันก็เป็นสิ่งสำคัญนะสำหรับการที่จะเป็นสิ่งสำคัญในฐานะสิ่งที่จะช่วยคําจุนให้ใการเสริมสร้างคุณธรรม และการพัฒนาปัญญาเนี่ยให้เกิดขึ้นได้นะซึ่งจะทําให้ชีวิตเราในแต่ละการเติ ม, เ ต, มเต็มมีคุณค่ามีความหมายอันตรายที่ว่าที่ชาเรื่องนี้เนี่ยแม้ว่าจะเก่าแก่หลายร้อยปีแต่ว่ามันก็ยังมีคุณค่านะยังมีความหมายนะต่อสังคมที่ปัจจุบันสิ่งที่พระเ จ, จ้าตรัสว่าทำทั้งหลายเนี่ยมีใจเป็นใหญ่ มีใจประเสริฐสุดสำเร็จแล้วที่ใจเนี่ยนะแม้จะตัดมาแล200้ว 2,600 ปีก็ยังมีคุณค่านะสำหรับทุกวันนี้โดยเฉพาะทุกวันนี้เนี่ยแม้ว่าจะนะเตินเปี่ยนไปด้วยนะความสะดวกสบายทางวัตถุมีสิ่งเสพสิ่งบริโภคพรัพ่งพร้อมบริบูรณ์แต่แม้กระทั่ คนุกวั น, นี้ก็ยังต้องสแสวงหายังปรารถนาโหยหาความสุขทางใจและตอนนี้เนี่ยนะคนโหยหากันมากเพราะว่ามันกลายเป็นสิ่งที่ขาดแคลนหรือว่าเข้าถึงได้ยากขึ้นทุกทีทุกทีทั้งนั้นที่มันน่าจะเข้าถึงง่ายเพราะว่ามีสิ่งเสรมีสิ่งเอำนวยความสะดวกนะ มีวัตถุสิ่งของที่พร้อมจะเตือนหนุนให้เข้าถึงวความสุขสบายทางใจอย่างเช่นสมัยนี้เนี่ยถ้าจะไปปฏิบัติธรรมเนี่ยก็ปฏิบัติธรรมได้ง่ายเพราะว่าไม่ต้องหลักส่วนใหญ่ไม่ต้องห่วงเรื่องการหาเงินหาทองการทำมาหากินนะไม่เหมือนสมัยก่อนที่ต้องทำงานนะเรียกว่าหาลุ่งหาคำ่ำ ต้องไปทำนานีเพราะว่าถ้าไม่ไปทำก็ไม่มีกินแต่สมัยนี้สามารถจะลางงานได้ดเป็นอาทิตย์เป็นเดือนเป็นปีนะเพราะว่ามีมีเงินนะเอาไว้คอยค้าจุนในสถานที่ที่จะไปก็สะดกสบายนะไม่ลำบากเหมือนเมื่อก่อนเพราะว่าอ่ามันเป็นยุคสมัยนะที่ครั่งพร้อมบริบูรณ์ทางวัตถุแต่ไ ป, ไปมาๆก็กลายเป็นว่าปัจจุบันนี้นะ คนกับเข้าถึงความสงบสุขทางจิตใจได้ยากและใจสำคัญส่วนก็เพราะวัตถุเนี่ยเป็นตัวขวางกัน้นเป็นตัวขวางกันน้นในแงที่ว่าทําใหา้ไม่พบความสงบสุขทางใจนะเพราะคิดแต่เรื่องของการตักตัวการสะสมนะวัตถุสิ่งเสริหรือสิ่งบริโภค หรมิฉนั้นก็ทําให้ทุกข์ใจซ้วยซ้ำ เ, เรื่องนี้อนนาตมาคิดว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยนะและนับวันเรื่องของความสุขทางใจเนี่ยจะเป็นสิ่งสําคัญเพราะว่ามันจะกายเป็นสิ่งที่หายากมากขึ้นเรื่อยๆอยัอนนี้เรื่อความสงบด้วยความสงบที่อาตมาพูดถึงเนี่ย ไม่ได้หมาึความสงบทางกายนะแต่มความสงบทางใจแม้กรนทั่นความสงบทางกายนี่ก็นับว่าจะหายากขึ้นด้วยด้วยเหมือนกันเพราะเดี๋ยวนี้เราไปไหนเนี่ยมันก็ไม่ค่อยอมีสถานที่ที่จะสงบเท่าไหร่สงบในที่นี้เนี่ยไม่ใช่ถูกคุกคามด้วยเสียงดังซึ่งมันก็มีนะเสียงรถยนต์นะเสียงผู้คนเสียงการจราจรคับขัง่ง แระทังในชนบทแต่ว่ารวมถึงเสียงที่มาทางสัญญาณสัญญาณโทรศัพท์มือถือสัญญาณอินเทอร์เน็ตอย่างนี้มากรทั่งในชนบทที่ห่างไกลในวัดหรือว่าในป่าเนี่ยในความสงบประเภทที่ว่าไม่รับรู้ความเปลี่ยนไปของโลกภายนอกเลยมันก็เกิดขึ้นได้ยากเพราะว่าไปที่ไห น, นก็มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่พอรับทางโทรศัพท์มือถือหรือคมมอมพิวเตอร์ก็พอเห็นข้อความก็ใจก็ไม่สงบแนละ้ว เพราะมันมสิงกระตุ้นเราติดตามมาแม้กระทั่งในที่ไกลๆทุกวันนี้เนี่ยและนับวันอย่างที่ตารมาบอกนความสงบสุขทางจิตใจจะหาได้ยากและจะกลายเป็นที่แสวงหามากขึ้นอาตมาคิดว่าตรงนี้คือสิ่งที่เราควรควรให้ความใส่ใจและเวลาเรานึกถึง ปัจจุบันและอนาคตของลูกหลานเราเนี่ยก็อย่าลืมเรื่องนี้ด้วยนะว่าทํายังไงเราถึงจะช่วยทําให้ลูกหลานของเราเนี่ยเขาได้พบ ก, กับความสงบสุขสงบเย็นทางจิตใจและก็มีชีวิตที่อินเอมรุ่มรวยไปด้วยสิ่งที่เป็นคุณค่าทางนามธรรมมันได้แก่ปัญญาที่ทําให้ ชีวิตสว่างสวัยแล้วก็ความดีนะคุณธรรมนะที่ทําให้ชีวิตจิตใจงดงามสมัยนี้เนี่ยนเวล า, เ, าเราคิดถึงอนาคตของลูกเราก็อาจจะนึกถึงเรื่องว่าเออเขาจะทําหารกินอย่างไรนะเขาจะอยู่เาขาจะมีชีวิตที่สดวกสบายเพียงใดนะในอนาคตแล้วเราก็นึกถึงว่าเออจะต้องทําให้เขาได้มีวิชาความรู้ ได้เข้าเรียนในในคณะในสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงเพื่อว่าเขาจะมีปริญญานะที่ทำให้เป็นหลักประกันในการทำอากินมีอาชีพที่มั่นคงได้อันนั้นก็เป็นสิ่งที่มีคุณค่านะแต่ว่ามันไม่พอทีนีเหล่านั้นมันอย่างมากก็เพียงแค่ทำให้มีความทั่งพร้อมทางวัตถุนะแต่ว่ามันไม่ได้เป็นหลักประกันว่า จะชีวิตจะเดินไป็ด้วยคุณคนะ่าในทางปัญญาแล้วก็คุณางามความดีซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ทาให้มีความสุขทางจิตใจได้อย่างแท้จริงเราก็พบนะว่านะีเดือนนี้นะเด็กเนี่ยลูกหลานของเราหลายคนเขามนะีความคิดเขามาีเขามีความรู้มากขึ้นนะแต่ว่า เขาไม่สามารถจะพบกับความสุขความสงบในจิตใจได้อันนี้อาจจะเป็นเรื่องที่เราไม่ค่อยได้สนใจเท่าไหร่นะอเปเพราะว่าตอนเด็กๆเนี่ยเขาจะอาจจะไม่ค่อยได้สนใจเรื่องนี้นะแต่ว่าถ้าเราจะมองถึงอนาคตของเขาเนี่ยนะอย่ามองเอาอย่าลืมในเรื่องนี้นอกจากความรู้นะทางด้าน วิชาทางโลกที่ใช้ธรรมากินได้แล้วเนี่ยนะเรื่องของคุณค่าในจิตใจเนี่ยก็เป็นสิงส่งสำคัญฝรั่งเขาเรียกว่าความสามารถทางนิคเล EQ อีคคอ EQ เนี่ ย, EQ. EQ ยหรือว่ า, าคุณสมบัติความสามารถทางอารมณ์เป็นสิ่งที่จะมีความสำคัญต่อจิตใจผู้คน อย่างนี้ในใ น, ในยุโรปในอเมริกาเนี่ยผู้คนที่ประสบความสำเร็จในอาชีพการงานหันมาให้ความสำคัญกับเรื่องของสมาธิภาวนามากขึ้นนะก g เกิลก็ดีนะหรือว่า Microsoft ก็ดีนะหรือว่าพวกธุรกิจ ใหญ่ๆนะที่ประสบควาเสำเร็จแถวซิลิคอนวัลเลย์เนี่ยเป็นต้นเนี่ยเดียนี้การจัดคอส์นะสมาธิหรือว่าการเจริญสติเนี่ยก็กลายเป็นที่นิยมมากขึ้นแต่เขาจะไม่เรียกว่าสมาธินะจะ mm hmm. ใช้คำว่า mindfulness mm hmm. เพราะว่ามันเป็นความหมายที่กลางๆไม่เกี่ยวศาสนาแต่คาว่า mindfulness ก็คือสตินั่นแหละบาง บางคอร์สเขาก็ใช้ชื่อว่า Search inside yourself ดูมั น, ม, นมันเป็นเรื่องทางโลกนะไม่ใช่เป็นเรื่องของศาสนา Search inside yourself คือว่าแสวงหาภายในตัวคุณแสวงหาอะไรหาความสุขสวงหาความสงบซึ่งเกิดขึ้นได้จากความรู้สึกตัวเกิดขึ้นได้จากการมีสตินะนะเป็นพื้นฐาน อาจจะหมายถืว่าตรงนี้เป็นเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นสิ่งที่ท้าทายพ่อแม่ว่าท่านยังไงเราถึงจะทำให้ลูกเนี่ยเขามีเ า, าค้นพบตัวเองเขาค้นพบาสามารถค้นพบความสุขสามารถที่จะเข้าถึงความสงบในจิตใจได้สิ่งเหล่านี้เนี่ยอาจจะจาเป็นตั้งแต่ตอนเด็กด้วยซ้ำ เพราะว่าเด็สมัยนี้เนี่ยเขาจะเรียกว่าโตเร็กวกัผู้ใหญ่ก็ได้โตเร็กวกับคนรุ่นเราก็ได้เขาหลายคนมีความแปรปรวนทางอารมณ์ตั้งแต่เล็กหลายคนเนี่ยนะฆ่าตัวตายตั้งแต่ยุ่งยังไม่มากหลายคนเป็นโรคประสาทหลายคนมีความรุ่มหรอกุ้มใจบางคนเรียนดีนะแต่ว่ามีปัญหานะไม่อยากไปเรียนหนังสือไม่อยากไปโรงเรียน มีความกลัวกัุวใจเด็กที่มีปัญหาทางจิตเนี่ยมามีมากขึ้นเรื่อยๆนะรวมทั้งวัยรุ่นนะซึ่งก็มีความทุกข์ในจิตใจมากขึ้นหลายคนเนี่ยเป็นเด็กฉลาด น, นะแต่ว่าเขาไม่สามารถที่จะจัดการกับอารมณ์ของตัวไดนะ้อันนี้เป็นเรื่องท้าทายนะ ผู้ที่เป็นพ่อแม่หรือปู่ย่าตายายว่าเออเราจะเราจะช่วยเขาได้อย่างไรนะและหลายคนอาจจะพบประสบปัญหานะกับลูกหลังตัวเองแต่ตอนนี้แล้วก็ได้หลายคนกุ้มใจลูกเป็นสมาธิสั้นบางทีลูกก็ซึมเศร้าลูกก้าร้าวแล้วก็อาจจะห่วงลูกว่าแล้วลูกเนี่ยนะตอนนี้ก็เริ่มมีพฤติกรรมนะที่น่าเป็นห่วง เช่นเริ่มเข้าหายาเสพติดแล้วก็หาสิ่งเสพติดเราบุรีหรือว่ามีพฤติกรรมที่ก้าวร้าวหรือว่ า, าคบเพื่อนฟูงไปในทางที่ไม่ดียุคนี้เนี่ยมันเป็นยุคที่เด็กเนี่ยเขาได้พบได้ประสบสิ่งต่างๆที่หลากหลายมากนะมันเขาได้เจอสิ่งต่างๆมากมายทั้งที่ดีและไม่ดีใน ในในระดับที่คนรุ่นเราเนี่ยไม่เคยพบมาก่อนตอนที่เป็นเด็กอันนี้ส่วนนึงก็เพราะว่าอิทธิพลของ Internet, อินเทอร์เน็ตอิทธิพลของโทรศัพท์มือถือนะคอมพิวเตอร์ทำให้เข้าถึงได้ทุกอย่างนะไม่ว่าดีหรือร้ายนะไม่ว่าสิ่งที่เพิ่มพูนความรู้หรือสิ่งที่เติมความหลงให้มากขึ้นในจิตใจอีประการนึงคือว่านะชีวิตที่เร่งรี พื้ที่ร้อนรนซึ่งมันก็ทําให้เด็กที่ไม่มีภูมิคุ้มกันที่จริงรวมทั้งผู้ใหญ่ที่ไม่ไม่มีภูมิคุ้มกันเนี่ยนะก็ชีวิตก็จิตใจก็เริ่มสับสนรุ่มร้อนรวมทั้งการคล้อยตามสิ่งยั่วยวนุนที่เป็นอันตรายรวมทั้งการ เป็นทุกข์กับสิ่งที่ยั่วยุนะได้ง่ายขึ้นนะั้นสิ่งที่ฝรั่งเรียกว่า EQ เนะี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะในในยุค ป, ปัจจุบันโดยเฉพาะกับลูกหลานของเราทําไงเขาจะให้ทำงานเขาจะมีมีมีความอดกลัน้นมีความอดทนสามารถควบคุมตนเองได้ ซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ยนะมันไม่เพียงแต่จะช่วยทำให้เขาเนี่ยไม่รุ่มหลงหรือว่าไม่ไม่คล้อยตามสิ่งที่เป็นโทษเปนันตลายเท่นั้นยังสามารถที่จะทำให้เขาเนี่ยเลือกที่จะทาสิ่งดีๆที่มีประโยชน์ต่อชีวิตของเขาแล้วก็มีประโยชน์ต่อผู้อืน่นอาจารย์คิดว่าสิ่งในปนัจจุบันเนี่ยสิ่งที่เด็กต้องมีมากนะก็คือหนึ่งความรู้จักคิดและสอง การรู้จักควบคุมตนเองหรือมีความจัดยืงชั่งใจอันนี้เป็นสองอย่างพื้นฐานเลยที่ต้องมีเพราะถ้าคขไม่รู้จักคิดเนี่ยโอกาสที่เขาจะคล้อยตามคล <c oughs> <c oughs> ้อยตามกระแสที่นำพาความทุกข์หรือนำความความเดือดร้อนมาให้ได้ง่ายไม่ว่าจะเป็นเพื่อนฝูง ไม่ว่าจะเป็นสื่อที่มาทางอินเทอร์เนต็ตนะถ้าไม่คล้อยตามตถ้าไม่มีความวิจารณคิดแล้วเนี่ยนะก็จะเสียผู้เสียคนได้ง่ายถามว่าวิชาความรู้ในโรงเรียนเนี่ยนะทุกวันที่สอนให้เด็ก ว, วิจับคิดหรือเปล่าอาจาราก็ไม่แน่ใจนะ อาจจะเพราะเดี๋ยวนี้การสอนของเมืองไทยเนี่ยที่จริงเป็นมาแต่นายแต่หลายก็คือในเรื่องการท่องจำํำหรือแม้แต่ทำให้รู้จักคิดมากขึ้นนะมันก็เป็นการรู้จักคิดในเชิงที่เกี่ยวกับเรื่องวิชาความรู้แต่ไม่ใช่เป็นเรื่องวิชาชีวิตเพราะนั่นถึงแม้จะเรียนเก่งถึงนะแม้จะเรียนเก่งแต่ก็สามารถจะติดยาหรือสามารถจะทุจริตได้ เมื่อ 2-3 ปีก่อนเนี่ยมันมีนักเรียนโรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งที่มีชื่อเสียงมาในกรุงเทพเนี่ยมีเด็กกลุ่มหนึ่งนะแกแกสอบได้คะแนนแกได้คะแนนดีนะเก้าคะแนนขึ้นไปหรือเก้าสขึ้นไปนะถ้าเป็นถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะ95ก็มีทำข้อสอบเนี่ยนะก็ได้9ก้นาาคะแนนในร้อย ปอกว่าครูเนี่ยจับจับทุกจริตได้ทั้งแก๊งเลยนะครูก็แปลกใจาว่าทำไมเด็กพวกนี้เนี่ยเป็นเด็กเรียนเก่งทำไมถึงทุกจริตคุยไปคุยมาปอกว่าเด็กเนี่ยแกแ ก, กได้ร้อยคะแนนนะแกว่ารู้สึกด้อยนะที่เพียงแค่มีสอบได้เก้าสิบเก้าสิบห้าแกได้ร้อย แลนะวิธีที่ทําให้แกได้ร้อยเร็วๆนะโดยที่ไม่ต้องเหนือ่อยคือทุจริตเก้านะ ก, การเป็ว่าเสียอนาคตนะแต่ที่จริงครูก็ดีนะครูก็ไม่ต้องการทำให้เด็กคนนี้กลุ่มนี้เสียอนาคตนะก็ยังสามารถจะอยู่ในวิสัยที่ตักเตือนได้แต่สิ่งที่เป็นประเด็นก็สิ่งที่หน้าที่คือว่าเด็กเหล่านี้ก็เด็กเรียนเก็งไม่ใช่เด็กเด็กเกเร แต่เพราะเขาไม่รู้จักคิดนะเขาคิดไม่เป็นนะเขาจึงทุงจริตและถ้าเกิดว่าเขายังคิดแบบนี้ต่อไปในวันข้างหน้าเนี่ยชีวิคเาจะย่ำแย่ถ้าเขาเจอครูที่ไม่เข้าใจเาเนี่ยก็จะเสียผู้เสียคนได้อันนี้เป็นการบอกว่าเด็กที่เร่งเก่งเนี่ยแม้กระทั่งในระบบการศึกษาปัจจุบันไม่ได้แปลว่าเป็นเด็กที่จัคิ ด, นะดเนื่องาะความคิดในเชิงที่ไม่ใช่เป็น เรื่องของวิชาการนะแต่เป็นเรื่องของวิชาชีวิตเช่นถ้าโกงแล้วเนี่ยมันจะเกิดผลยังไงขึ้นมาหรือว่ารู้จักคิดว่าจริงๆแล้วอะไรคือสารางการศึกษาอะไรคือประโยชน์หรือื้นค่าของการศึกษาอาตมารู้จักเด็กคนหนึ่งนะชื่อยูวีนะแกเป็นเด็กมัธยมตอนตอนที่แกเล่าเนี่ยนะตอนที่มีเรื่องราวเนี่ยแกอยู่ประมาณม .4 ม .5 เป็นเด็กกลสินนะในวิชาวิชาหนึ่งคือวิชารุภาษาจีนหรือภาษาหรือวิชาภาษาต่างประเทศนี่แหละมีการสอบและครูก็บอกนักเรียนทุกคนว่าถ้ามีการทุจริตไม่ว่าโดยคนใดคนหนึ่งเนี่ยจะตัดคะแนทุกคนคนลสินคะแนนครูพูดเช่นนี้ก็เพราะว่ามีการทุจริตในห้องสอบมากนะเพราะว่ามีเด็กคนหนึ่งเนี่ยทุจริต ครูจับได้นะครูตัดคณะทุกคนเลยทั้งห้องนักเรียนที่ถูกตัดคณะโดยที่ไม่รู้อีหนึ่หนก็ไปดา่าไปว่าเพื่อนที่ชดจิตผลเพื่อนก็เสียใจยนะขอโทษขอโพยนักเรียนทั้งห้องเลยแล้วก็มาขอโทษขอโพยจนที่ยุยด้วยนะยุย้ยนี่เป็นเด็กเรียนดีเรียนดีมากด้วยเพื่อนมาขอโทษเธอเธอก็บอกไม่เป็นไรฉันไม่ฉันฉันไม่ว่าฉันไม่โกรธเธอ แล้วเธอก็พูดกับพูดกับเพื่อนคนนั้นนะว่าครูเนี่ยนะสามารถตัดคะแนนของเธอได้นะแต่ไม่สามารถจะตัดความรู้ไม่สามารถจะเอาความรู้ไปจากเธอได้นะเธอไม่ได้เสียใจยที่คะแนนเธอถูกตัดเพราะเธอได้ความรู้แล้วจากการเตียมสอบ พนักงนถูกตัดก็ไม่เป็นไรฉันได้ความรู้มีคราวนึงเธอได้รับเชิญให้ไปได้รับได้รับเลือกให้เป็นตัวแทนจังหวัดนะไปแข่งขันในระดับประเทศแต่ว่าเธอมีปัญหาไม่สามารถจะไปไปสอบในวันนั้นได้จึงมีการอ น, นี้ให้เธอเนี่ยสอบสอบล่วงหน้าสอบล่วงหน้าในจังหวัดงเธอนะั่นแหละสอบคนเดียวเลยนะ ผู้คุมสอบเนี่ยก็พอเธอเอาเอาเอาเอาข้อเอาข้อตอบเอาข้อเอาคำตอบเนี่ยไปส่งไปส่งผู้คุมสอบผู้คุมสอบก็คือครูของเธอนั่นแหละถามว่ามีข้อไหนที่เธอทําไม่ได้เธอตอบมีสองข้อที่ทําไม่ได้ครูถามว่าข้อไหนบ้างเธอก็บอกไปแล้วครูก็เลยฉเฉลยคําตอบให้เธอว่าเนี่ยที่จริงคืออันนี้ ผู้เฉลยเพื่อให้เธอเดกลับไปแก้กลับไปแก้แก้คำตอบแต่เธอไม่ทำเธอให้ผลว่าเนี่ยถึงแม้ถ้าเธอทำงี้ถึงแม้เธอได้คะแนนที่หนึ่งเธอก็ไม่ภาคภูมิใจมันจะภาคภูมิใจได้อย่างไรนะในเมื่อเราไม่ได้มีความสามารถอย่างที่อย่างที่มันควรจะเป็น ที่นางยิ่งนซ้ำก็ไปโกงเขานะนี่เป็นการโกงแบบหนึ่งนะเป็นการชุดจริตแต่เธอไม่ทําเพราะเธอเห็นว่าเนี่ยสิ่งสําคัญเนี่ยนะมันคือความรู้และความถูกต้องเธนะอเลเอเเพื่อเอาความรู้และการสอนจะไต้องอาศัยความซื่อสัตย์สุจริตถ้าจะได้คะแนนดีนะเพราะว่าไม่เพราะาไม่ซื่อสัตย์เนี่ยเธอไม่ปูุกใจ อันนี้คือความหมายที่จะามาแล้ววิธีคิดรู้จักคิดรู้จักคิดก็คือการรู้ว่าการเราเรียนเพื่ออะไรนะไม่ใช่เพื่อเอาคะแนนเรื่เอาความรู้แลต้องเป็นความรู้ที่อาจจะนําไปใช้ประโยชน์ได้แล้วก็เห็นได้ว่าไอ้ความการทุจริตการความไม่ซื่อสัตย์ความไม่สู่ตรงหรือความไม่มีคุณธรรมเนี่ยมันมันเสียหายอย่างไรบ้างเต๋อก็อายุแค่สิบสี่สิบห้านะแต่ว่า อย่างนี้แหละนะที่อาตมาเรียกว่ารู้จักคิดนะสําหรับเด็กเพรา ะ, ะถ้าถ้าเด็กเนี่ยรู้จักคิดนะเขาก็จะมีเขาก็จะแล้วก็มีความรู้จักยับยั้งชั่งใจเนี่ยมันก็ทําให้ทิตเนี่ยจิตใจเขาเนี่ยไม่หันเหนไปในทางที่ชั่วร้ายได้ความรู้จักยับยั้งชั่งใจที่สำคัญนะฮรเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยนี่คือปัญหาของเด็กนะของลูกหลานของเราก็คือว่า ทั้ า, ท, าที่รู้ว่าอะไรดีอะไรไม่ดีแต่บ่อยครั้งเนี่ยก็หักห้ามใจไม่ได้ผู้ใหญ่ก็เป็นนะมันมีคําพูดเป็นสำนวนว่าดีชั่วรู้หมดแต่อดใจไม่ได้นะดีชั่วรู้หมดจะคือมารู้ตรงนี้นะแต่ว่าใจเนี่ยมันไม่ไม่มีพลังพอที่จะหักห้ามใจที่จะไม่คล้อยตามไปในคล้อยตามกิเลยแต่สามารถที่จะบังคับจิตเนี่ยให้มัน เป็นไปตามเหตุผลหรือตามสิ่งที่ควรจะเป็นหรือตามความถูกต้องหลายคนเด็กหลายคนก็จะรู้ว่าเล่าบุหรี่ไม่ดีนะทุจริตในห้องสอบไม่ดีมีโทษแต่ว่าห้ามใจไม่ได้ห้ามใจไม่ต่อสิ่งร่เรายาอยยวนว่าเออถ้าได้คะแนน ด, ดีนี่มีคนชมนะหรือว่าได้รางวัลนะ ใจหน้าได้ตาหนะหรือว่าได้รับการยอมรับจากเพื่อนๆก็คล้อยตามจิตไม่มีพลังที่จะหักห้ามใจให้สามารถจะทานกระแสแห่งความร่อเรายั่วยนหรือทานต้านทานสิ่งที่ยั่วยุยั่วยุอะไรยั่วยุให้โกรธ แล้เดี๋ยวนี้มันมีสิ่งที่ยั่วยุให้โกรธและเยา้ายวนให้เกิดโรภมากมายนะด้วยคนร้อยแปดนะทั้งสื่อทั้งชีวิตที่มันเต็มไปด้วยาทางเรื่องมากมายการรู้จักยับยังย้งช่่งใจเนี่ยสำคัญรู้จักอดทนซึ่งมันสัมพันธ์กับเรื่องการรู้จักอดทนรอคอยด้วย เมื่อสักหาิปีก่อนนะมันมีการทดลองอันนึงที่มีชื่อมากของมอแลสแตนฟอร์ดการทดลองนี้ตอนหลังเนี่ยมันเป็นที่รู้จักกันในชื่อว่ามาร์ชเมลโล่เทสหรือ Experiment. มาร์ชเมลโล่เอ็กซ์เพรเเมนต์บางทีก็เติมว่าสแตนฟอร์ดเข้าไปด้วยนะตอนไปเกิดใน Google m ูนะมาร์ชเมลโลเทสเนี่ยการทดลองง่ายๆเป็นการทดสอบ เอาขนมที่ช่วมาชมแชเมลโล่เนี่ยเอามาวางไว้บนโต๊ะแล้วก็ให้เด็กอายุสี่ขวบห้าขวบมาเข้ามาผู้ใหญ่ก็จะบอกว่าเนี่ยถ้าอยากได้หยิบไปเลยคนละคนละชิ้นแต่ถ้าอยากได้สองต้องรอสิบนาทนีหรือสิบห้านาทีมันแล้วแต่นะแล้วครูก็ออกไปผู้ใหญ่ก็ออกไปแล้วเขาก็มีกล้องเนี่ย คอยจับตาสบายก่อนไม่ใช้กล้องใช้ใช้ใช้ห้องใช้กระจกเนี่ยที่มันมองได้ด้านเดียวน่ดูพฤติกรรมของเด็กเอาไอา้สันๆ น, นก็จะมีเด็กหนึ่งในสามที่สามารถจะควบคุมหักห้ามใจได้เพราะรู้ว่าถ้ารอ10นาที15าทีเนี่ยได้กิน2อีก2ใน3รู้ว่า2ดีกว่า1แต่หักห้ามใจไม่ได้แล้วเขาติดตามเด็กเหล่านี้ไปจนโต ที่จริงไม่ได้เป็นแผนการที่เขาติดตามนะแต่ว่าตอนหลังเนี่ยพอเวลาผ่านไปยี่สบสามสิบปียี่สิบปีได้เนี่ยคนทดลองเนี่ยไปตามเด็กว่าไอ้เด็กกลุ่มนี้เนี่ยที่มีหลายกลุ่มเขาเข้าทำการทดลองในหลายครั้งให้เด็กกลุ่มเหล่านี้เนี่ยโตขึ้นเป็นอย่างไรเพราะว่ามีเด็กกลุ่มนึงนะสามารถจะเรียนได้จบตอนที่เรียนเนี่ยวัดมัธยมก็ไม่ติดเล่าไม่ติดบุรี ร่างกายก็ไม่อ้วนนะน้ำหนักเกินแล้วก็ไปเรียนมาเทไรก็ส่วนใหญ่ก็เรียนจบแล้วก็ทำงานก็ได้ได้ได้ดีไม่ได้ติดเล่าติดบุหรี่หรือ ว, ว่าติดยากลุ่มใหญนะ่ที่เหลือเนี่ยนะเรียนก็ไม่ดีเรียนไม่จบมธัธยมสอบข้ามมาอะไรไม่ได้สอบข้ามมาเทไรได้ก็ตกเรียกว่าเลิกกลางคันนะติดยา ตอนที่เป็นวัยรุ่นก็น้ําหนักเกินอ้วนจบไปแล้วก็ทำงานได้บ้างไม่ได้บ้างนะแล้วก็มันก็มีกลางๆนะกลุ่มกลางๆนะแต่มันจะมีกลุ่มเอ็กซ์ตรีมกลุ่มเขาก็พยายามหาว่าอะไรทำให้เกิดความแตกต่างระหว่างอะไรทำให้มีพฤติกรรมแตกต่างกันเ่งของเด็กทำให้เด็กเนี่ย ม, มีพฤติกรรมแตกต่างกันลักษณะแบบนี้ก็พยายามดูเรื่องของ เพศผิวครอบครัวสถานะทางเศรษฐกิจ ก, ก็บากว่าตัวแปรเหล่านี้เนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่เหตุผลสำคัญแล้วว่าเหตุผลสำคัญเนี่ยก็คือว่าไอตอนเหตุผลสำคัญเนี่ยก็คือว่าไอเด็กที่เด็กที่เรียนดีแล้วก็มีชีวิตที่เจริญก้าวหน้าเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเป็นเด็กที่ตอนที่ทดลองเอ็มมัชแมนโรเนี่ยนะ เขาคุมตัวเองได้นะเขาอยากได้สองเขาก็อดทนรนะอจนสิบนาทีสิบห้านาทีแล้วก็เลยได้สองที่เหลือเนี่ยนะก็ทนไม่ได้และมันนำไปสู่ชีวิตที่แตกต่างันมากมันมีหนังสือเล่มหนึ่งนะเาทตอนเมื่อเขาคนที่ทำทดลองเนี่ยเขาเขียนหนังสือมันเล่มหนึ่งเมื่อปีสองปีที่แล้วช่วงมาร์ชมาร์ตเทสเขาจะพูดถึง เบื้องหลังของการทดลองนี้แล้วก็จนรั่งตา ม, มันถึงว่ามันบอกอะไรเรานะสุ่ง่ายคือความรู้จักยับยั้งชั่งใจความรู้จักควบคุมตนเองได้นะซึ่งมันนําไปสู่การที่ไม่เพียงแต่ไม่ไปไม่ไปใช้ชีวิตติดทางหรือไม่ไปลงไหลต่ออาหารขยะจนกระทั่งน้ําหนักเกินติดเล่าติดบุหรีหรือว่าเพิ่มเพิ่ออความสูงสรจนกรัก่ลียงไม่จบแล้วเนี่ย มันยังมีความหมายในการที่ทำให้คนเหล่านี้มีความเพียรพยายามทําให้กลายเป็นคนฝ่ายรู้แล้วก็สู้สิ่งยากฝ่ายรู้สู้สิ่งยากนี่เป็นคําของท่านพระพุทธโคสัจสมเด็จพระพุทธโคสตจจานะประยุติประยุตโตถ้าบอกว่าเด็กเนี่ยวัยรุ่นเนี่ยเด็กพวกเราเนี่ยควรต้องมีสองอย่างคือใฝ่รู้สู้สิ่งยากแต่สิ่งนี้เกิดขึ้นได้เนี่ยมันต้องมีความอดทนนีกับครอบครตนเองเพราะว่าการที่ คนที่ถ้าเราจะฝ่ายรู้ถ้าเราจะควบคุมตนเองได้เนี่ยนะมันง่ายที่จะมีความยันงมันเพียนมันง่ายที่จะเป็นคนที่ฝ่ายรู้เพราะว่ า, าการที่คนเราเนี่ยจะเรียนรู้อะไรมันต้องใช้เวลาถ้ารู้จับอดทนรอคอยเนี่ยก็จะได้ความรู้แล้วมื่ได้ความรู้ก็จะมีความยินดีทำให้เกิดชันท่าเกิดความฝ่ายรู้มากขึ้น แล้วเมื่อมีความจะอดทนเนี่ยก็จะไม่กลัวสิ่งยากนะเพราะว่ามีขันติมีขันติทำความอดทนขอนติทำให่นําไปสู่วิริยะความเพียรพยายามเพราะว่าการการที่คนเราจะสู้สิ่งยากได้เนี่ยมันต้องหมายความว่าต้องล้มแล้วล้มอีกผิดพลาดแล้วผิดพลาดอีกแต่ว่าไม่ท้อถอยนะก็จะสู้ก็จะลุยต่อไปนะ ก็ทำให้สู้สิ่งยากได้แต่ทั้งหมดนี่มันเริ่มต้นจากการที่รู้จักควบคุณนันเองรู้จักอดทนรอคอยนะและสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่ขาดหายไปมากขึ้นในสังคมยุคปัจจุบันเด็บสมัยนี้เนี่ยนะท้าพูถึงความความฉลาดความคิดไวัยนะในระดับในระดับในระดับ คนชั้นกลางในเมืองนี่นะอาตมาคิดว่าไม่ค่อยแตกต่างเท่าไหร่เนพะราเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาเขาถูกกระตุ้นให้รู้จักให้มีความคิดสร้างสารรค์ให้คิดอะไรฉับไวนะแต่ถึงที่จะแตกต่างกันเนี่ยตรงนี้แหละก็คืออดทนรอคอยได้มารู้จักคุกคือตนเองหรือเปล่าพูดง่ายคือมีวินัยในตนเองไหมมันจะแตกต่างกันตรงนี้เพราะว่าสมัยนี้เขาไม่เน้น สมัยสมัยของเราเนี่ยซึ่งเป็นรยังเป็นเด็กนะหรือสมัยรุร่นพ่อรุ่นแม่ก็จะฝึกตรงนี้มากดนั้นคนส่วนใหญ่เนี่ยก็อาจจะพูดควาทนละความอาจจะพอๆกันแต่ที่จะแตกต่างก็คือความคิดเด็กบางคนฉลาดเด็กบางคนก็เรียนไม่ทันเพื่อนแต่สมัยนี้เนี่ยความความฉลาดเนี่ยนะโดยทั่วไปแล้วไม่ค่อยแตกต่างกันมากเพราะว่าถูกเที่ยวถูกกรรมมา เ, เรียนวันละห้าเรียนทิละห้าวัน เสร็จแล้วก็จะไปเรียนต่อไปเรียนพิเศษนะสาวทิตปิดเทอมก็ซัมเมอร์อีกนะทั้งหมดเนี่ย เ, เป็นในตรงนี้แต่ว่าใจเนี่ยมันไม่ได้ฝึกวันนั้นก็มีปัญหานะีก็คือว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะรุ่มหลงต่อสิ่งเย้ายวนง่ายแล้วก็จะกลัดเกลี่ยนต่อสิ่งยั่วยุง่ายแล้วก็จะไม่รู้จักอดทนรอคอยนะใจร้อนเอาแต่ใจตัวนีนที่สุด ซึ่งก็ทำให้ชีวเนี่ยรุดนดนดน่รุ่มดอนๆแต่ถ้าแต่ถ้าอยากมีเด็กคนไหนแตกต่างกับหรือมีภาษีกว่าคนถืก็ตรงที่เนี่ยใจนะผลทนรอคอยได้ไหม ย, ยับยังช่างใจได้หรือเปล่าผู้คนตนเองได้ไหมนะแต่สิ่งเหล่านี้แหละมันจะเป็นตัวการที่ทำให้ไม่เพียงแต่ประสบความเสเร็จในทางในชีวิตแต่ยังสามารถจะเข้าถึงความสงบเย็นในจิตใจได้ด้วย อาณาจัก็ต้องต้องฝึกตรงนี้ให้มากขึ้นนะและถ้าเกิด ว, ว่าเขาหนึ่งรู้จักคิดสองรู้จักควบคุณตนเองได้เนี่ยเราจะวางใจเขาได้ง่ายนะเขาจะไปอยู่ในสิ่งว่าล้อมใดเขาจะพบเพื่อนประเภทใดก็ตามเนี่ยเขาก็จะยังเป็นตัวของตัวเองถ้นะาจะอยู่อยู่ในสิ่งว่าล้อมซึ่งสามารถจะเข้าถึงความชั่วร้ายได้ง่าย สิ่งที่ไม่เหมาะสมไดง่ายเช่นอินเทอร์เน็ตโทรศัพท์มือถือนะหรือว่าการใช้ชีวิตในเมืองแต่เขาก็เลือกที่จะไม่ทำเขาสามารถเขาเขาหยู่ทาการเพื่อนฝูงเพื่อนจำนวนหนึ่งก็เอาเที่ยวทริปเที่ยวเที่ยวเตยสนุนสนามบอเทิงเรอ ง, ล, องลมโดยเฉพาะวัยรุ่นอาจจะ ก, กิดล่าสุบุรีแต่เขาไม่ทำเขาก็ยังคบเพื่อนหลังนั้นแต่คบในระยะที่ไม่ใช่ว่าอ่าหมดเนื้อหมดตัวไม่เป็นตัวของตัวเอง เราจะวางใจลูกของเราได้ถ้าลูกของเราเนี่ยเป็นสองรู้จักยันยังช่างใจนะจริงแตาเขาเนี่ยได้ผ่านการความยากลำบากได้ได้ได้เรียนรู้ได้เจอความยากลาบากนะและทำให้ เ, าเ้านมีใจิตใจเข้มแข็งอดทนนะต่อสิ่งประุปศรรักนดะิ์ หรือแม้กระทั่งสามารถที่จะเห็นประโยชน์คุณค่าของอุปสรรคสามารถจะเข้าถึงความสุขแม้ว่าจะไม่สดกสบายอันนี้ยิ่งวิเศษเข้าไปใหญ่นะจะต้องฝึกนะคนเหล่านี้เนี่ยฝึกลูกหลังเราเนี่ยเพื่อให้มีสิ่งเหล่านีนะ้ไม่ใช่เพียงแค่เรียนเก่งนะได้4ได้ 3.8 มีความรู้ยิ่งใหหมด คนเราเนี่ยมันประกอบด้วยสามอย่างจริงประสบความสร็ปนะกสามเพนะเพช a d แก็ hand นะเพก็คือหัวหัวสมองเดี๋ยวนีการศานี่นะเป็นเน้นที่สมองมากและบางทีพ่อแม่ก็ก็เป็นเน้นตรงนี้แต่ว่า hard เนี่ยนะไม่เคยเน้นเท่าไหร่แล้วยิง hand เนี่ย hand ก็จะมีบ้างเช่นฝึกทักษะฝึกทักษะ แต่ว่าสิ่งสำคัญเนี่ยก็คือ hard เนี่ยมกักจะถูกมองข้ามไป EQ ก็ดีเรื่องคุณธรรมนะเป็นเรื่องของ hard เรื่องของใจที่จริงเรื่องเทสเนี่ยนะมันก็มีทั้งเรื่องของการรู้ทางโลกและการรู้ในเรื่องรู้ในเรื่องวิชาทางโลกและวิชาชีวิต การรู้จักคิดเนี่ยอยู่ตรงฝ่ายที่เรียกว่าเป็นเหตุก็คือว่ารู้จักคิดรู้จักไต่ตรองมีวิจารณญาณ น, นะแต่ก็ต้องเพิ่มพูนไปด้วยนะฮาร์ดก็คือความากอดทนรอคอยพวกคนตนเองได้คุณธรรมรวมไปถึงการเข้าถึงความสงบสุขในจิตใจนั้นถ้าเกิดว่าเราให้มาเพิ่มเติมตรงนี้ให้มากขึ้นนะเราก็จะวางใจในลูกของเราได้ว่าเขาจะสามารถจะ พึ้นตนเองได้ก็สามารถที่จะอเอาตัวรอดได้แม้ว่าสิ่งรอดเร า, รายอดยวนหรือว่าสิ่งยวดยูจะมีมากมายเพียงใดต่างๆและยิ่งต่อไปเนี่ยนะถ้าเราฝึกให้เขาเนี่ยรู้จักตัวเองมีสติรู้ท่าทอารมณ์ของตัวเองเนี่ยยิ่งดีเข้าไปใหญ่นะเดี๋ยวนี้เนี่ย คนจำวมากเนี่ยไม่รู้ไม่ไม่สามารถจะเ อ, อไม่สามารถไมม่สาาจะบอกได้แม้กระทั่งว่าตอนนี้รู้สึกอย่างไรความรู้สึกนี่นะมันเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเรามากเลยมันไม่ต้องใช้ความคิดแค่ใจรับรู้ก็รู้แล้วว่าจะรู้สึกว่าตอนนี้รู้สึกอย่างไรแต่เดนนี้ถาม หลายคนเนี่ยถามว่ารู้สึกยังไงเนี่ยตอบไม่ได้นะเอาความคิดมาตอบเนะอาตมาจัด ก, กิจกรรมให้กับผู้ใหญ่ไม่เยอะแล้วลกเวลาจัดกิจกรรมที่มันทำให้เกิดความรู้สึกเศร้าโกรธโมโหถามว่ารู้สึกยังไงหลังจากที่ทำกิจกรรมเสร็จตอบเป็นความคิดหมดเลยบอกว่ารู้สึกยังไงก็ยังตอบตอบตอบไม่ถูกต้องจี้เลยนะตอนนี้รู้สึกยังไง โกรธโมโหเศร้าใจโมกคุนเครืองก็ตอบว่าเนี่ยคิดว่าอะไรอรก็ไม่เที่ยงไม่ได้ถามว่าความคิดถามว่ารู้สึกยังไงก็บอกสึกเสียใจรู้สึกโศรู้สึกเศร้าสุกผิดหวังเนี่ยเป็นอย่างนี้เยอะนะแล้วเด็กเนี่ยจะเป็นอย่างนี้มากขึ้นคือไม่สามารถจะบอกว่าได้ว่าเป็นรู้สึกอย่างไรในการที่คนเราจะรู้จะรู้สึกอย่างไรเนี่ยนั่นคือการที่คนเรามีสันติ กลับมาดูใจของตัวเห็นใจเวลาตากับรอบครัวหูเตืนเสียงเนี่ยนะใจกับเพื่อนก็เห็นใจว่ามันก็เพื่อนมันรู้สึกถ้ามันช่วยได้มากนะฮะมันเป็นตัวที่ช่วยทำให้เด็กเนี่ยสามารถจะคลองตนได้ถ้าเด็กเขาสามารถจะรู้ว่าตอนนี้รู้สึกอะไรเด็กเขาเนี่ยสามารถที่จะมองจิตมองใจห่งตัวเองได้ฝึกเอาไว้เพื่อตอมาคนหนึ่งนะแกเล่า เรื่องนี้เกิดขึ้นมาประมาณสิบห้าปีมานะนะลูกสาวยี่สิบสองวันหนึ่งกลับจากโรงเรียนมาบอกแม่ว่าอยากได้ของเล่นชิ้นหนึ่งอยากได้มากเลยแม่ช่วยซื้อให้หน่อยจะขอเงินแม่ซื้อแม่ถามว่ามันคืออะไรเธอก็ตอบว่าเป็นไมโครโฟนนะที่พอกดแล้วเนี่ยมันมีเสียงร้องสมัยนั้นโทรศัพท์มือถือมันยังไม่ยังไม่ดังยังไม่แพร่หลายนะไม่ต้องพูดถึงสมาร์ทโฟน ของเลื่อง subject เ, เนี่ยตอนนั้นมันยังเป็นแบบนี้อยู่นะคือไมโครโฟนที่กดแล้วเนี่ยมันมีเสียงรอบเหมือนกับว่าเจ้าตัวกําลังร้องเพลงแม่ถามว่าเท่าไหร่สี่ร้อยบ้านนี้เนี่ยเขาเขาเขาจะเขาจะเสริมสร้างวินัยการเงินของลูกนะไอ้สี่ร้อยสำหรับคนสมัยเนี่ยมันติดจอยแต่สำหรับครอบครัวเนี่ยถือว่าแพงแล้วเรื่องนี้มันก็สิบห้าปีมาแล้วนะเดี๋ยวก็รูปเล้วอยากจะได้ แม่มีทางเลือกทางส่วนใหญ่นะหนึ่งให้เป็นเลยสี่ร้อยสองไม่ให้นะแต่แม่คนนี้เนี่ยแกมีประสบการณ์ในการเลี้ยงลูกแกก็บอกแกก็ไม่ทํสองอย่างแกบอกว่าได้นะถ้าลูกอยากได้เนี่ยแต่มีเงื่อนไขสองอย่างหนึ่งค่าขนมของลูกเนี่ยนะแม่จะหัก ทุกวันจนครบสี่ร้อยนะสองทุกวันเนี่ยก็ลูกกลับจากโรงเรียนให้ลูกไปที่ร้านนั้นแล้วก็ไปดูของชิ้นนั้นแล้วก็ดูใจตัวเองเด้ยวยว่าตอนนั้นใจมันเป็นอย่างไร mm hmm. เด็กก็ทําตามเพื่อความอยากได้ทําทุกวันแต่พอจังหวะที่สี่ลูกก็มาบอกแม่ว่าไม่เอาแล้วไม่อยากได้แล้ว เบื่อเก็บเงินสี่ร้อไปทํางินไปซื้ออื่ดีกว่าทําไมรูกไม่อยากได้เบื่อใช่ไหมฮะความเบื่อมันเกิดจากอะไรเนะี่ยมันเกิดจากการที่เด็กเนี่ยเขาได้มาดูได้เห็นความอยากของตัวแม่บอกให้เด็กเนี่ยมาดูความอยากของตัวดูความรู้สึกของตัวเด็กแม่ไม่ได้บอกดูความอยากแนมะ่บอกดูความสู้ของตัวแล้วเด็กก็เห็นความอยาก แล้วความอยากนี่นะมันก็เช่นเดียวกับอารมณ์อื่นอารมณ์ทุกอย่างนี่นะถ้ามันถูกดูถูกเห็นถูกรู้บ่อยๆเนี่ยมันก็จะค่อยๆฟ a l ลงไปธรรมชาติของอารมณ์เป็นอย่างนี้นะถ้าถูกดูถูกเห็นเนี่ยบ่อยๆมันจะฟ a l ไม่ว่าจะเป็นความอยากความโกรธความกลัวนะมีแม่หลายคนที่มีพ่อบางคนน่ยที่ให้ลูกเนี่ยกลับมาดูอารมณ์ตัวไม่ว่าตอนที่เกิดความโกรธหรือตอนที่เกิดความกลัวแล้วมันฟ a l งจริงๆนะผู้ใหญ่ก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกัน เพรธรรมชาติของคนเราไม่ว่าเด็กผู้ใหญ่เหมือนกันหมดก็คือว่าอารมณ์ทุกอย่างเนี่ยถ้ามันถูกรู้ถูกเห็นด้วยสติเมื่อไหร่หเนี่ยมันก็จะฟอกลงไปมันก็จะหายลงไปสิ่งที่แม่ทําทกับลูกคือสอนให้ลูกเนี่ยหันมาดูหันมารู้ท่าทันความอยากเอาเป็นความเสื่อตัวและนี่เป็นสิ่งที่เราฝึกได้นะถ้าเรากให้ลูกทําตรงนี้ได้เนี่ยนะเด็กจะมีความจยังช่างใจมากคือเด็กจะไม่ เป็นท่าของอารมณ์นะ EQ เนี่ยนิยามของ EQ หนึ่งรู้ว่าตัวเองตอนนี้รู้สึกอย่างไร 2. รู้ว่ามันมาจากไหน 3. สามสารถที่จะรู้วิธีจัดการกับอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นกับตัวเองได้ EQ รวมถึงการที่ไปรู้อารมณ์รู้รู้ท้ารู้หรือรับรู้หรือเข้าใจความรู้สึกของคนอื่นด้วย ซึ่งฝรั่งเรียกเอ็นพี้นะแต่เดี๋ยวนี้เนี่ย mm. เด็กเนี่ยนอกจากไม่รู้อารมณ์ตัวแล้วเนี่ยอารมณ์คนอื่นก็ไม่รู้ให้สามารถจะมีเอ็นพาร์ได้แต่บางทีมันเป็นช่วงวัยนะ mm. เขาเพบว่าวัยรุ่นเนี่ยนะช่วงสิบห้าสิบหกเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาการศึกษาทางด้านสมองเนี่ยมันก้าวหน้ามาตรงทั่งพบ ว, ว่าเด็กวัยรุ่นเนี่ยมันเป็นช่วงที่สมองเาําลังปรับเปลี่ยนจาก เด็กเป็นผู้ใหญ่และในช่วงที่สมงัตปรับเปลี่ยนอย่า ง, า ง, า ง, างมากนี่นะก็จะมีการบางอย่างที่คล้ายๆกับผู้ที่ฝรั่งเรียกว่าไซโคพารไซโคพารคือพวกถ้าเราเรียกภระาบ้านคือพวกฆาตกรต่อเนื่องแต่ว่าอย่าเข้าใจผิด น, นะพวกพวกพวกฆาตกรต่อเนื่องเนี่ยเป็นส่วนน้อยของพวกไซโคพารไซโคพาร์ตจำนวนมากนี่นะเป็นพวกซีโอเป็นนักธุรกิจเป็นนักการเมือง อันนั้นเป็นพวกพิเศษนะแต่ว่าแต่ว่าที่เขาบอกว่าเด็กวัยรุ่นนจะมีสมองเหมือนกับไซโคพารก็คือว่าเขาจะไม่สามารถจะรับรู้ความรู้สึกของคนอื่นไะด้เขาจะไม่มีเอ็นพารที่และเขาจะไม่รับรู้ด้วยว่าการกระทำของเขาเนจะไปส่งผลกระทบอย่างไปจะส่งผลกระทบต่อคนอื่นอย่างไรและเขาจะสนใจความต้องการตัวเองประโยชน์เฉพาะหน้า ก็จะคุมตัวองไม่ได้เพราะเด็กเหล่านี้เนี่ยจะมีปัญหามากกระทั่งว่าให้เจ็บที่นอนไม่เจ็บอใช่ไหมห้องก็ร ก, ก, กรกเลอะเทอะนะแต่ว่ามันเป็ น, น, ปนช่วงวัยนะแต่ผู้ใหญ่ที่ไม่เข้าใจวัยรุ่นเนี่ยจะมีปัญหามากเพราะไม่เข้าใจทาไมลูกตัวเองเป็นอย่างนี้ตอนเด็กๆน่ารักแต่พอเป็นวัยรุ่นนี่นะเป็นผู้หญิงก็ไปคบแฟนไปคบผู้ชายกินเหล้ากลับบ้านดึกเป็นวัยรุ่นนะ แม่พูดแม่แม่พ่อสอนก็เทียงนะบางทีทะเลาะกับพ่อแม่ไม่กลับบ้านเลยอยานนี้เป็นปัญหามีเยอะแม่กระทั่งผู้หญิงนะแต่ถ้าเกิดว่าเด็กเหล่านี้เนี่ยเขามีเขามี เ, า ม, เามีวิชาชีวิตนะที่เราช่วยเติมสร้างให้เขาให้เขารู้จักเท่าทันอารมณ์งตัวเองเนี่ยเขาจะสามารถจะยับยั้งชั่งใจไม่ให้ไม่ให้ไป ไม่ให้ไปมีพฤติกรรมแบบนั้นเนี่ยแบบหนักหนาหรือว่าซ้ำเติมแต่ถึงแม้ไม่ใช่วัยรุ่นเนี่ยเป็นเด็กเจ็ดแปดขวบก็ก็ควรจะมีตรงนี้นะและในช่วยทำให้เด็กเนี่ยเขาสามารถที่จะจัดการกับอารมณ์ของตัวเองได้ในระดับหนึ่งและต่อไปนะถ้าเราฝึกให้เด็กเนี่ยมีความเสียสละ ม, ม, มีความเอื้อเฟื้อเอื้อกูลมีความแม่ตาบูนนะโอ้ยิ่งเป็นประโยชน์ใหญ่ลย ก็นะจะพบว่าการการความสุขอย่างหนึ่งในชีวิตก็คือการที่เราได้เอื้อเฟื้อเกือเก้อกูลผู้อื่นความสุขที่เกิดจากการเอาเกิดจากการมีการด้เนี่ยมันสู้ความสุขที่เกิดจากการให้ไม่ได้นะและมันาำให้เขาเนี่ยพบความสุขภายใน อาตมายกตัวอาตมาเนี่ยส่อสอย่างนี่นะที่ที่ทว่าสําคัญนะครับการเลี้ยงดูลูกหนึ่งความรู้จักคิดนะไม่ใคิดในเรื่องของวิชาการอย่างเดียวแต่รู้มีความรู้จักคิดในเรื่องของอ่าเรื่องของทางเรื่องของที่อาตมาเรียก ว, วิชาชีพด้วยสองรู้จักจยังช่างใจสามารถควบคุมตนเองได้สามนะรู้เท่าทันอารมณ์และความรู้สึกของตัว สมีความเอื้อเฟือเกื้อปรุในเมตตา ก, กรุณานะจึงนี้เ น, นื้อเทศทําให้เขาสามารถที่จะนําพาชิตเนี่ยไปในทางที่จเจริญและสิ่งเหล่านี้มันช่วยทําให้เขาประสบความสําเร็จทางโลกได้ด้วยควบคู่ไปกับความสําเร็จทางธรรมหรือว่าความสงบเยในใจิตใจอ่าพูดไปยาวแล้วนะอ่า เลเวลาที่เขาอยากจะให้พวกเรานั่งสมาธิเพราะนั้นขอเชิญพวกเรานั่งสมาธิก่อนถ้ามีความสงสัยอะไรนะก็ค่อยถามกันนะช่วงเวลาหลกักตรง น, นี้แล้วก็อาตมาจะได้ขยายความเพิ่มเติม เรกลับเรียนถามเรื่องการทำสมาธิท่าที่เคยอ่านหนัง ส, สือธรรมะของหลวงพ่อพุทธท่านอธิบายว่าเวลาใจเป็นสมาธิจะมีทางแยก2ทางทางหนึ่งเราไปเกิดความสงบอีกทางหนึ่งใจจะเกิดความคิดไปต่างๆให้ตามดูใจจะไปห้ามถ้ากําลังสติอ่อนพอตามความคิดไปทางที่จะหไปเองก็กลับมาที่ลมหายใจต่อสิไม่เข้าใจว่าทําไมเวลาเป็นสมาธิยังมีความคิดอยู่ มีต่างับความคิดทุ่ข์สั้นอย่างไรความสมาธิคือเช่นไรคือสมาธิเนี่ยมันก็เป็นอาการที่เกิดขึ้นเฉพาะครั้งเฉพาะคราวก็คือว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงเพราะฉะนั้นเนี่ยเ ม, เ, มเมื่อเราจิตเป็นสมาธิคือจิตที่เรานิ่งเนี่ยนะมันก็จะไม่ได้นิ่งไ ป, ไปตลอดมันก็จะมี คามคิดฟุ้งซ่านเกิดขึ้ น, นเป็นครั้งคราวนั้นธรรมดานะไม่มีใครที่โดยเฉาะบุรุชนเนี่ยทำสมาธิละสมาธิมันจะต่อนเนื่องยาวเป็นชั่วโมงชั่วโมงถ้าไม่ใช่ชาม น, นะถ้าไม่ใช่ชามเนี่ยมันก็จ ะ, ะไม่ค่อยต่อเนื่องไอ้ช่วงที่ไม่ต่อเนื่องก็หมายความว่ามันจะมีความคิดฟุด ข, ขึ้นมาบางทีมันเปความคิดที่ฟุดขึ้นมาแล้วก็ระบายไปแต่ว่าถ้าเราไม่มีสตินเนี่ยมันจะคิดยาวเหยียดตรงเนี่ยที่เราเรียกว่าฟุ้งซ่าน เข้าใจว่าที่หลวงพ่อพูดพูดเนี่ยท่านจะหมายว่าถ้าความที่มันเกิดขึ้นนะแล้วก็มันก็ตัดไปโดยที่มันดขึ้นมาไม่นานเนี่ยอันนี้มันก็เป็นธรรมดาเรียกว่าเป็นแค่ความคิดแต่ว่าถ้ามันเป็นความคิดรุ่งสร้างขึ้นคิดต่อเนื่องเ ป, เป็นเป็นเรื่องเป็นราวนะซึ่งอันนี้เนี่ยนะก็ธรรมดาให้เราเข้าใจว่า จิตเนี่ยมันธรรมชาติจิตคือมันความคิดปรุงแต่งเพราะนั้นเนี่ยไม่ว่ามันจะแม่ถือว่ามันจะนิ่งแค่ไหนเนี่ยมันก็จะเผลอภรุิแต่งอยู่เรื่อยๆนะเดี๋ยวพอถ้าเราสติเราออดเนี่ยมันก็จะเผลอไม่บ่อยสมาธินะก็อธิบายแล้วคือจิตที่มันตั้งมั่นตั้งมั่นนี่มันก็จะมันก็จะอยู่ในอารมณ์เดียวเรื่องเอกคตาจิตก็จะรับรู้หรือนิ่งอยู่แต่อารมณ์เดียว ซึ่งอาจจะเป็นลหมหายใจอาจจะเป็นเสียงลำธารไหลนะอาจจะเป็นท้องพองยุคก็ได้จั้งนั้นนะถ้ามันรับรู้หรือจดจ่อยอยู่กับอารมณ์เดียวเราก็เรียกว่าสมาธิอา่านหนังสือมีสมาธิก็ได้ดูหนังมีสมาธิก็ได้แต่ว่ามันก็มักจิยากนะเพราะเวลาเราดูหนังนก็จะคิดไปตามหนังจงุดอันตราจะเกิดความฟุ้งซ่านได้ เมื่อสูญเสียบุปการีที่เรารับไปซึ่งเรารู้อยู่ว่าเกิดแก่เจ็บตายมันเป็นธรรมดามันเป็นทุกข์แต่ด้วยความรับความผูกคนามที่มีตอบการทําให้ใจเศร้าหมองท่ําครธถึงเราจะใช้วิหารธรรมไหนดีเพื่อดับทุกข์ซึ่งเป็นเหตุการณ์สูญเสียรู้สึกว่ายังทําไม่ได้ยังมีความโศกอาลัยเสียใจอยู่มากเหตุการณ์สูญเสียนี่นะจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ แต่เมื่อมันสูญเสียไปแล้วในกรณีเนี้กอ ค, คือความตายเนี่ยไม่สามารถเอากลับคืนมาได้เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะดับทุกข์ซึ่งเป็นเ ห, เหตุแห่งการสูญเสียอย่างที่เขียนมาเนี่ยนมันก็เป็นไปไม่ได้แล้วสิ่งที่เราต้องทํำก็คือยอมรับความสูญเสียยอมรับความจริงบางครั้งเนี่ยเรารู้ว่าคนเราก็ต้องเกิดแก่เจ็บตายแต่สิ่งที่รู้เนี่ยมันอยู่ในหัวมันเป็นแค่หัว แต่ใจมันยังไม่ยอมรับใจยังไม่ยอมรับความจริงการที่ใจไม่ยอมรับความจริงเนี่ยเป็นเหตแห่งความทุกข์มากกว่าตัวความจริงสิแม้ความจริงมันจะเป็นความจริงที่ที่ย่ำแย่มีผู้ปิดคนนึงนะเกดเป็นมะเร็งเธอเป็นมะเร็งตั้งแต่อายุยี่สิบสามจุกว่าแล้วก็ตอนที่เธอเป็นมะเร็งเนี่ยมะเร็งกระเพาะปัสสาวะซึ่งเกิดขึ้นได้ยากมากกับ คนในวัยเธอเนี่ยเธอทำใจไม่ได้ไงทำไมต้องเป็นชั้นทาไมต้องเป็นชั้นอมีความโกรดเกลียวแต่พอถึงผ่านไปหนึ่งปีปีเศษเนี่ยเธอใจเธอนิ่งลงแล้วเธอก็ได้พูดได้เขียนออกมา2ประโยชน์ึ่งระตมาว่าน่าสนใจมากเธอบอกว่าความจริงแม้โหดร้ายแต่การไม่ยอมรับความจริงโหดร้ายกว่า เพราะมันเป็นมันเป็นเพราะมันเป็นเสมือนคุกที่ขังใจเราเอาไว้นั้นผู้ที่ถามมาี่นี่นะถึงแม้ว่าจะรู้อยู่ว่าความตายเป็นธรรมดาแต่ว่าใจยังยอมรับไม่ได้กลับมาดูใจของตัวเริ่มต้นตั้งแต่เวลาใจมันเศร้าอะไร ก็ให้มีส ต, ติรู้อารมณ์นั้นเพียงแค่รู้นี่ช่วยได้เยอะแล้วอย่างที่อาตมาพูดไว้ตอนต้ น, นะทุกอารมณ์เนี่ยมันมีจุดต่อนที่มันกลัวการถูกรู้ถูกเห็นถูกรู้ถูกเเมื่อไหร่มันก็จะมันก็จะสงบลงอย่าไปกดข่มความเศร้าวความโศกแค่แค่รับรู้มันเมื่อมันเศร้าก็รู้นะเพียงแค่รู้และยอมรับความเศร้า มันจะนำไปสู่การยอมรับความสูญเสียได้ในที่สุดนะดังนั้นการเจริญสติเนี่ยเพื่อรับรู้อารมณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยตรงนี้สำคัญมากและไม่ใช่แค่รู้อารมณ์เศร้านะบางคนเนี่ยจะมีความรู้สึกผิดคนที่สูญเสียคนรักเนี่ยนะก็จะไม่ได้แค่เศร้าเฉยๆเขาจะมักจะรู้สึกผิดว่าเขายัง ทำบางอย่างทํายังทําดีไม่พอคนที่เขารักหรือว่าเขาจะตดจออยู่กับบางสิ่งบางอย่างบางเหตุการณ์ที่เขาทําไม่ดีหรือเขาคิดว่าทําไม่ดีกับคนที่เขารักไม่อาจจะเป็นพ่อแม่เป็นลูกพ่อแม่บางคนเสียลูกนี่ก็จะเอาแต่เสียใจรู้สึกคิดว่าเมื่อสามสี่ปีก่อนลูกอยากจะไปเที่ยวเราไม่ให้ลูกไปลูกเสียใจก็มาเสียใจว่าเนี่ยเราไม่น่าจะห้ามลูกเลยนะ น่าจะให้ลูกไปที่จริงการที่พ่อแม่ห้ามลูกเนี่ยมันก็เป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าพอลูกจากไปนี่ก็มาเสียใจรู้สึกผิดเมื่อมันเกิดขึ้นก็ให้รู้ทันความรู้สึกนั้นนะขณะเดียวกันเนี่ยนอกจากการทําจิตแล้วนะการทํากิจกิจนี่คือกอไก่ใส่จจานนะก็สําคัญเช่นเราถ้าเราทํา บุญอุทิศส่วนบุญไปให้เขาหรือว่าทำสิ่งดีๆในชื่อของเขาในนามของเขาก็ช่วยทำให้เราเนี่ยจิตใจเป็นกุศลมากขึ้นกุศลที่ได้ทำความดีจะช่วยได้เยอะแล้วมาเป็นยานะมีผู้สูญเสียหลายคนเนี่ยเมื่อเขาเริ่มที่จะไปทำความดีให้กับผู้อื่น เช่นป็นจิตอาสาความเศร้าเนี่ยความรู้สึกติดจะคลี่คลายลงอันนี้เป็นมาหลายคนแล้วมีหมอคนหนึ่งนะเธอเสียสามีอายุยังไม่มากทั้งสองคนหมอนี่เป็นหมอเด็กทําศพไปเรียบร้อยแล้วเผาไปเรียบร้อยแล้วเธอยังมานั่งเศร้าสุมอยู่ที่ที่ห้องที่ ที่ห้องในโรงพยาบาลเธอเป็นหัวหน้าเลยคนระับหัวหน้าหมอเด็กผ่านไปอาทิตย์หนึ่งเธอก็ยังซึมเศร้าไม่ค่อยไม่ไปั น, นทำงานผ่านไปสองที่เธอยังซึมเศร้าไม่ออกไปทำงานเลยเพื่อนก็เป็นห่วงวันหนึ่งก็มีพยาบาลเนี่ยอุ้มเด็กเด็กในวอร์เนี่ยเด็กประวอร์เด็กป่วย เ, เนี่ยมาวางไว้บนโต๊ะเธอเธอก็ไม่สนใจเธอก็อาแต่ซึมเศร้าเจ้าจุด แต่พอเด็กร้องเนี่ยทีแรกเด็กร้องเธอก็ไม่ค่อสนใจแต่ว่าพอเด็กร้องมากๆเธอก็ต้องมาคอยดูว่า เ, เด็กเป็นอะไรออกเปลี่ยนเพา อ, อ้อมจะสเกอเธอกะเกจ้าจุกใหม่แล้วเด็กก็ร้องอีกเธอก็มาดูเป็นอะไรอ๋อเด็กไม่ค่อยสบายก็ให้ยาพอเลิก ง, งานเธอก็เอาเด็กไปคืนแล้วเธอก็กลับบ้านพอลุกขึ้นพอเธอมาถึงพอเธอมาที่โรงพยาบาล เธอมาเข้ามาที่วอร์ดประโยคแรกที่เธอถามพยาบาลคือว่าตอนที่เด็กคนนั้นเป็นอย่างไรแลแล้วเธอก็เริ่มแลังนั้นเธอก็เริ่มไปตรวจเด็กไปไปเข้าเวรเหมือนเดิมเธอการที่เธอเนี่ยใส่ใจกับเด็กที่กลังป่วยเนี่ยมันทำให้เธอเนี่ยคลายความเศร้าโศกน่าจะมีคนจำนวนมากเนี่ยนะคลายความเศร้าโศกได้เนี่ยเพราะเขานึกถึงคนอื่น หรวาก็ได้ทำอะไรเพื่อช่วยเหลือคน อ, อื่นเพราะนั้นเนี่ยนะอันนี้ก็เป็นเป็นอันทีส่งของเมตตาเมตตาที่มันเกิดขึ้นช่วยเยียวยาความเศร้าโศกหรือความสูญเสียของเราได้ น, นี่ก็เพิ่มเติมแล้ว น, นอกจากการการเตริญสติและการทำบุญบุที่ให้กับคนที่เรารัก แล้วเนี่ยการทำความดีเพื่อผู้อื่นเนี่ยก็จะช่วยเ ย, ออยียวยาจิตใจเราได้ที่พระอาจารย์บอกว่าต้องสอนลูกให้รู้จักคิดจับยังช่างใจเป็นจเจเรนถามว่าแล้วเราจะต้องสอนลูกด้วยวิธีใดและอย่างไรคือ เวลานะเด็กเขาอยากได้อะไรเนี่ยบางทีเราก็ต้องถามเหตุผลให้เขาได้พูดถึงเหตุผลว่าทำไมเขาอยากได้เวลาเวลาเราพักก็ไปดูหนังแทนที่จะถามว่าสนุกไหมเราถามเด็กว่าได้เรียนรู้อะไรบ้างไม่จะเป็นหนังหรือละครเวลา เวลาเด็กเนี่ยเราซื้อของเล่นให้เด็กนะเด็กสนุกแต่ถามแค่ว่าเด็กสนุกไหมต้องถามเด็กว่าเอยของเล่นนี่มันทำงานยังไงพอรู้ไหมอันนี้มันเป็นการกระตุ้นให้เด็กรู้จักคิดนะคือการถามทำไมทาไมเนี่ยนะไม่ใช่ถามเพื่อไลจี้นะแต่ถามเพื่อความให้เขาได้คิดเนี่ยได้แง่คิดอย่างไรเนี่ยมันทำให้เด็กเขาเริ่มรู้จักคิด หลายคนเนี่ยแม่ทั้งผู้ใหญ่เนี่ยดูหนังเสร็จอัตมาถามว่าได้ได้ไงคิดยังไงหรือว่าประเด็นของหนังคืออะไรเนี่ยตอบไม่ได้นะประเด็นของหนังหรือละครเนี่ยมันมันคืออะไรเราได้ไงคิดยังไงกับมันบ้างเนี่ยตอบไม่ได้แต่รลบเป็นเรื่องได้นะแต่ตอบไม่ได้ประเด็นคืออะไรเริ่มถามเดี๋ยวนี่ยตอนนี้นะเดี๋ยวเขาจะรู้จักคิด แต่ว่าถามเรื่องอื่นด้วยไม่ใช่เรื่องเกี่ยวกับเรื่องของหนังเรื่องของชีวิตเช่นอ่านดูข่าวดูข่าวอสมมตุติอ่าเด็กเขาดูดูคลิปเรื่องน็อตน็อตตราบระดูอ่ะแทนที่จะดูแล้วเออสา่ใจแทนที่จะดูแล้วด่าหรือเม่นแรงๆถามว่าใจแงคิดอย่างไรบ้างได้แงคิดอย่างไรบ้าง บางทีเราต้องถามโจทย์ที่มันแรงๆเช่นเมื่อต้นปีที่แล้วเมื่อต้นปีนี้มีรถรถตู้ไปไปชนกับรถอะไรนะปิกอัพตายหมูยี่สิห้าสมเนี่ยนะมันต้องถามเขาว่าเนี่ยเออมันได้ฟังดูข่าวเรื่องนี้มันได้แก่คิดอะไรบ้างอันนี้คือสอนให้เขรู้จักคิดยับยั้งชั่งใจก็เช่นว่าเนี่ย เ, ออเขาอยากได้อะไรเนี่ย อย่าเพิ่งตามใจเขาเร็วนะักอย่างที่แม่คนที่เขาจะซื้อของเล่นให้ลูกเนี่ย <c oughs> เขาก็ไม่ใช่ให้เลยหรือไม่ใช่ห้ามเลยนะแต่ว่าเขาเขาก็ให้มีเงื่อนไข <c oughs> ก่อนจะซื้อก็ให้รู้จักคอยหนะ่อยสองสมวันะที่จริงวิธีนี้ก็แค่ผู้ใหญ่ได้นะหลายคนเนี่ยเป็นพวกที่เป็นพวกช้อปปิ้งมา น, นิเออร์นะคือติดช้อปปิ้งมาก ราคาถูกเห็นเขาลดราคาซื้อเลยและหลายคนจะมาเสียใจายภายหลังเมื่อพบ ว, ว่าอีกห้าหนึ่งเนี่ยเขาลดถูกกว่านะบางทีซื้อไปแล้วไม่ได้ใช่ไงซื้อไปได้แล้วสองสาวันก็เบื่อละเพราะว่ามันมีเต็มตู้ละแต่ซื้อเพียงเพราะมันลดราคาอยากจะโชว์โอกาสนะไม่ซื้อก็มันก็ปล่อยโอกาสทองหลุดลอยไปแต่ซื้อไปเสร็จแล้วก็เบื่อ นี้งก่อนจะซื้อเนี่ยก็ทิ้งเวลาไปสักสองสมวันวก่อนนะเดี๋ยวนี้คอยไม่ได้นะฮะที่เนี่ยคือฝึกวิธีการรู้จักคอยนะอย่าเพิ่งตามใจความอยากนะให้เด็กดูใจของตัวเด็กดูความอยากของตัวด้วยฝึกให้เด็กเขารู้จักสิ่งยากนะไปชนบทไปปลูกปา่าเป็นติตอาสา เมื่อทุกปีเนี่ยธรรมารีจัดอบรมอาจัดเดินธรรมยาตรานะหนึ่งถึงแปดนวาจัดมาสิบแปดสิบเจดปีแล้วแล้วก็สิบกว่าปีหลังเนี่ยก็จะมีเด็กมาเดินเด็กวัยรุ่นนะมสี่จับรงในรุ่งอรุณมากันทั้งชั้นเลยแล้วครูเนี่ยก็นำมาพามาทีแรกเนี่ยเด็กหลายคนจะบ่นมาทำไม ต้องมานอนการดีกินก า, ารสอาหารก็ไม่อร่อยต้งเดินปรับแดดแถมโทรศัพท์ก็ใช้ไม่ได้ครูยึดยครูไม่ให้โทรโอ้แเด็กนี่ถ้าใช้โทรศัพท์มือถือไม่ได้นี่มันปรมาณนะแต่เดินธรรมิกตาทุกปีทุก ป, ทกปีทุกรุ่นเนี่ยจะพบว่าเอยมันอยู่ได้นะแม้ไม่มีโทรศัพท์มือถือแล้วก็มีความสุขด้วยเด็กเนี่ยแยกเริ่มจะแยกออกระหว่างความ ความสะดวกสบายกับความสุขเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเดียวกันเดินธรรมยาตาที่ไม่สะดวกสบายเลยนะแต่มีความสุขส่วนหนึ่งมันเป็นความสนุกด้วยแต่ความสนุกกับความสุขก็ไม่เหมือนกันนะแต่ว่าในกลยธรรมาาย่าตาเด็กหลายคนเพราะว่าเออถึงแม้มันไม่สะดวกสบายนะแต่ว่ามันมีความต่ใจมีความสุขเพราะได้ทำสิ่งที่ทำได้ยากการที่เราทาสิ่งที่เราทำได้ยากเนี่ย เป็นเดิธรรมิกาตายิ่งร้ยยี่สิบกิโลอาหารก็ไม่อร่อยนะเหนื่อยก็เหนื่อยร้อนก็ร้อนแต่มีความสุขที่ได้ทําสิ่งยากหรือว่ามีความสุขที่ได้ทําสิ่งที่มีประโยชน์เดี๋ยวก็จะรู้เลยว่าสุขจากการเสพนี่นะมันต่างจากสุขที่เกิดจากการทําสิ่งที่ยากทําสิ่งที่สําเร็จเราทําสิ่งที่น่าภาคภูมิใจ เด็กเขาจะเรียนรู้ในถาำกลางความยากลําบากมันมีความสุขที่เกิดขึ้นได้อันนี้เป็นสิ่งเด็กเป็นประสบการณ์ที่เด็กหลายคนก็พบแล้วเขาได้เรียนรู้นะว่าเออการที่เขาได้เจอความยากลําบากเนีนะ่มันมันมีประโยชน์อย่างไรตอนหลังนี่นะก็จะมีพ่อแม่เนี่พาลูกมา ไม่ใช่ลูกวัยรุ่นอย่างเดียวนะบางทีพาลูกที่แร ก, ก็มาพาลูกอายุเจขวบมาแต่ตอนหลังเด็กก็เริ่มมีอายุลดลงนะปีสองปีก่อนเด็กอายุห้าขวบชื่อมีนามาเดินว่าแล้วมีนานี่ก็เดินตลอดเส้นทางนะขึ้นเขาลงห้วยบางทีถอดรองเท้าบางทีเดินไม่เดินเดีเด๋ยววิ่งด้วยปีที่แล้วนะปีสองปีก่อนภ้าแปก็มีเด็กอายุต่างกานันนั้นอีกสามขวบชื่อมอนนี่มาเดิน ยายพามาเดินมั่งไม่เดินมั่งแต่ปีที่แล้วเนี่ยห้า ก, ก้านนี่เดินตลอดเส้นทางเลยนะเด็กสี่ขวมนะ่ะชื่อมอนนี่เนะโอ้เนี่ยคือแล้วเด็กเขาก็ได้เรียนรู้นะเออความยากลำบากนี่มันฝึกใจให้เข้มแข็งมันไม่ได้แค่ฝึกขันติธรรมนะสามารถจะฝึกสตนะิเพราะเวลาเดินเนี่ยก็ให้รูให้ ด, ใหดูให้ตามดูรู้ใจไปด้วย แล้วก็มั ส, สร้างทัศนคตินะเกี่ยวกับเรื่องความความสุขก็ความสุขนี่มันมันไม่ใช่เป็นเรื่องของความสนุกสนาหรือความอร่อยอร่อยความสะดวก amigo, สบายเดี๋ยวความสุขที่เกิดจากการทําสิ่งที่ยากให้สําเร็จได้เนี big, bar, ่ยดีกว่าคนมาเที่ยวความสุขเกิดจากการเสพการมีการได้แต่ความสุขที่เกิดจากการทำนะอันนี้ดีกว่าแล้วต่อไปเนี่ยเด็กก็จะรู้ว่าเออความสุขที่เกิดจากการฝายรู้ฝายเรียนนี่นะ ม, มันมีสสน่ห์อันนี้เป็นตัวอย่างก็คือว่าการทำให้เด็กนี่เ้าได้เจอกับสิ่งยากลาบากบ้างมันจะฝึกมันจะฝึกใจของเขานะมันจะสร้างสิ่งที่ฝรัง่งเรียกว่าคาแรคเตอร์พัฒนาสิ่งที่ฝรัง่งเรียกว่าคาแรคเตอร์แล้วก็ซึ่งมันทำให้โอกาสที่เา้าจะทำความดีรู้จักรักษาตัวเองให้พ้นปากเกย่ยวปากกาซึ่งมันมีมากมายเวลานี้ รวมทั้งการเข้าถึงความสุขด้วยตัวเองเนี่ยโดยไม่ต้องพึ่งวัตถุสิ่งเสพหรือเงินทองเนี่ยมันเป็นไปได้แล้วก็เอเราก็สามารถจะฝึกได้ในชีวิตประจำวันหรือว่าในในในในเวลาที่เขาอยู่ที่บ้านก็ได้นะอันนี้เป็นเป็นการฝึกนะให้เขารู้จักควบคุมตนเองฝึก การยับยังชั่งใจนะและต่อไปมันต้องยับยังชั่งใจวนะมันมีความเต็มใจความยากลำบากไม่ใช่เป็นเรื่องต้องฝืนใจทําและอดทนแต่เป็นความเต็มใจที่จะทําเพราะรู้ว่ามันจะให้สิ่งดีๆกับชีวิตกับจิตใจ เรามีวิธีฝึกเด็กอนุบาลอย่างไรให้มีความยังย่งยืนช่างใจลูกเป็นเด็กผู้หญิงอยู่นุบอลสองชอบทานขนมมากพูดคุยหลายครั้งซึ่งลูกก็ทราบแล้วก็จะว่าการท า, ทานขนมมากไม่ดีแต่ถ้าแม่ไม่อยู่ด้วยมีคนอื่นให้เขาก็จะทานหรือแอบไปทานเสร็จ แ, แล้วก็มาขอโทษว่าหนูแอบทานขนมมาไม่เศร้าเขาอย่างไรโอ้เพอเด็กก็ดีนะเด็กเขาเขาเขาซื่อตรงนะ ก็มีอะไรเนี่ยเขาก็มาบอกแม่แม่เป็นสินที่ทําให้ถูกอันนี้ก็ถือว่าแม่ก็เลี้ยงดูเลี้ยงดูไว้ดีนะแต่มาว่าก็เออก็ต้องทําให้ต้องที่ให้เขาเห็นนะนะว่าการ ท, ทําทางขนมมากๆมันไม่ดีอย่างไรนะอันนี้ต้องอธิบายหน่อยนะว่ามันมีผลต่อสุขภาพอย่างไรบ้างเรื่องตั้งแต่เรื่องฟันคุดนะ หรือต่อไปเนี่ยโตขึ้นก็น้ำหนักเกินบาเทีต้องพูดยาวไปถึงว่าเนี่ยว่ า, าคนหลายคนอายุสั้นเนี่ยเพราะว่าการกินที่ไม่รู้จักยับยั้งชั่งใจนะโรคมะเร็งโรคเบาหวานไตาวายนะคือถ้าเราถ้าให้ความรู้กับเขาว่าเนี่ยการพวกนี้เนี่ยมันเป็นโทษอย่างไรบ้างนะต่อสุขภาพของเขา แล้วถ้าเขาเจ็บเขาป่วยเนี่ยเขาทุกอย่างไรพ่อแม่เดือดร้อนแค่ไหนหรือว่าจะต้องเศร้าใจเพียงใดเนี่ยอาตมาว่าก็าค่อยๆให้ความรู้พวกนี้ไปแต่ว่าอาตมาว่าออนอกจากการชี้ทวนการกินขนมฟงมากแล้วเนี่ยนะถ้าเราชี้เห็นว่าไอท้ที่ไอ้ทางเลือกที่ไม่ใช่ขนมเนี่ยมันดียังไงบ้างนะเช่นผักเอวยนะ ผลไม้เอ่ยเนี่ยคือแทนที่เราจะพูดแต่ลบเราพูดเรื่องบวกด้วยทาให้เด็กเนมมีมีความมีความมีความรู้สึกดีมีทัศนคติที่เป็นบวกต่อไอ้สิ่งที่ไม่ใช่ขนมเนี่ยแต่มันเป็นอาหารแล้วเขาเริ่มมีความสุขกับการที่เขาได้กินผักกินผลไม้อาตมาเชื่อว่าความรู้สึกสสเสน่ห์ของขนมเนี่ย มันก็จะค่อยๆลดลงนะเพราะเขามีสิ่งอื่นที่ดีกว่ามาแทนที่นะลองนะเวลาจะให้ใครเขาเลิกอะไรก็ตามเนี่ยลองให้เขาได้ประสบพบสัมผัสกับสิ่งที่มันดีกว่านะอันนี้หลุดถึงเรื่องเล่าบุหรี่การพนันนนะเ้าเขาพบมันเจ้าเครอบมันมีความสุขอื่นที่ดีกว่ามาทดแทนความสุขที่ประด้ดีกว่ามาทดแทนเนี่ยการที่ก็จะเลิกไอ้ของเดิมเนี่ยมันก็จะเป็นไปได้ง่าย แต่วจะทำให้เขาเนี่ยมีรู้สึกว่าการจับยั้งชั่งใจเขาเนี่ยมันมีเหตุมีผลมันมีคุณค่าแต่างไรก็ตามต่อมาคิดว่าก็ต้องก็ต้องผ่อนต้องรู้จับผ่อนเบาด้วยนะอย่าไปเคร่งครัดกับเดกมากเกินไปบางทีความปรารถนาดีของเราเนี่ยถ้าเราไปยึดติดถือมั่นเนี่ยมันก็จะทําร้ายเราแล้วก็ทําร้ายเด็กได้คนเราเนี่ยทําร้ายกันและกันในนามของความปรารถนาดียาเยอะนะต้องระวัง แล้วที่แล้วที่ทำอย่างนั้นทําทำเช่นนั้นก็เพราะความยึติดถือมันเราปรารถนาดีกับรูเราปรารถนาดีกับพ่อแม่อย่าให้พ่อแม่เี่อยยุ่ยเยินย น, ย น, นะเลิกกินไม่กินของหวานไม่กินน้ําตาลไม่สูุกุรีแต่พอเรายึดมั่นถือมั่นเนี่ยถ้าไม่ระวังนะเราจะทําเพื่อตัวเองทําเพื่อตอบสนองตัวกูของกูตอบสนองความคิดของกูในหนทางความปรารถนาดีไม่ได้เกิดจาก ความเมตตากรุณาที่บริสนะุทธิ์เพราะนั้นก็ก็ต้องวิจัรณ์คนหนักคนเบาด้วยที่จริงเรื่องการฝึกเด็กเนี่ยวิจัยวิธีมัชบาลโลนะกับเด็กอนุบาล2 อ, อนุบาล2ก็ยังได้นะหรือการทำให้เด็กเนี่ยเขาเวลาเขาอยากเวลาเขาเาเห็นขนมอยากกินเนี่ยให้เขามาดูใจของเขา ว่าใจเขาเนี่ยอยากกิแล้วมันเป็นยังไงนะอันนี้ก็จะช่วยได้เด็กกันตุบานสองเนี่ยจะมาว่าเขาสามารถที่จะมาดูรู้ใจของตัวเองได้ที่โรงเรียนหนึ่งนะโรงเรียนโรงเรียนจิตเมธนะเป็นโรงเรียนที่รับเด็กกันตุบานด้วยเวลาเด็กเล็กๆ เ, เนี่ยมาถึงโรงเรียนเนี่ย พอแม่มาส่งเด็กก็จะมีความรู้สึกหลายอย่างระคนกันบางคนก็ดีใจบางคนก็เสียใจบางคนก็คิดถึงพ่อคิดถึงแม่ทางโรงเรียนเนี่ยนะเมื่อเด็กมาถึงเนี่ยก็จะให้เด็กเนี่ยบอกความรู้สึกของตัวด้วยการหยิบ ก, การหยิบ ก, กาดเนี่ยที่มันเป็นตัวอิมมอร์จีนะเพราะว่าเด็กอ่านหนังสือไม่ออกก็ต้องดูกาดเด็กเป็นกาดเป็นรูปเด็กยิ้มบา้างเศร้าบ้างร้องไห้บ้างให้เด็กเลือกกาดที่มันตรงใจตัวในเวลานั้น แล้วเด็กเนี่ยเลือกได้ถูกนะว่าตอนนี้รู้สึกอย่างไรวิธีเนี่ยไม่ว่าแม้แว่าเด็กจะเลือกกาที่มันบอกว่าวเปื่อเศร้าแต่ว่าการที่เด็กเลือกถูกเนี่ยนะมันแสดงว่าเด็กเขาเริ่มรู้จักเห็นใจของตัวเองและถ้าเขารู้จักเห็นใจของตัวเองหรือรู้ทันอารมณ์ของตัวเองเนี่ยการที่จะให้เด็กเนี่ยมารู้ทันความอยากกินขนมนะมันจะทำให้เขามีกําลังในการจังชั่งใจได้มากขึ้นนะเพราะว่า ก็จะมีความสึกตัวได้ไวแล้วเขาจะปล่อยวางไออารมณ์ความอยากคนนี้ได้ง่ายขึ้นไม่เด็กทำได้นะฮะเวลาสวดมนต์เราจะเป็นต้องแปลบทสวดมนต์ที่เราสวดได้ได้ไหมในขณะที่สวดเราควรต้องนึกถึงบทที่เรากำลังสวดหรือแค่ทำใจให้สงบแล้วสวดเท่านั้นถ้าเราแปลบทสวดมนต์มันก็ดีตรงที่ว่าเรารู้ความหมาย แต่ถ้าเราสวดไปแล้วก็พิจารณาตามไปด้วยจะดีทําให้เราเกิดปัญญานะแต่ถ้าเราสวดปากว่าไปใจลอยเนี่ยมันก็ไม่ดีนะตรงที่ว่าเราขาดสติอย่างน้อยๆเนี่ยขาดที่เราสวดเนี่ยก็ให้ใจเราเนี่ยก็ตามตามคู่ไปกับการสวดก็คือสวดด้วยความรู้ตัวนะสวดด้วยความรู้ตัวรู้แล้วก็ถ้าเราพิจารณาไปด้วยนะ จะได้ทั้งปัญญาแล้วก็ได้ทั้งสติด้วยนอกจากสมาธิการสวดธรรมะธรรมะเราได้สติได้สมาธิและปัญญาได้ถ้าเราสวดแล้วก็มีเรารูปตัวไปสที่สวดรวมทั้งถ้าเราสวดบ่อยสวดคล่องแล้วก็เริ่มพิจารณาเราก็จะได้ปัญญามีปัญหาเวลาจะตบยุงที่มากัดลูกแต่ลูกไม่ให้ตายเพราะลูกเป็นบาบแต่ถ้าไม่ตบแล้วลูกโดนยุงกัด คุแม่ก็จะโดนคุณย้าบ่นว่าดูแลลูกไม่ดีและยังเสื่อต่อการป่วยเป็นไข้เลือดออกได้เราควรจะสอนลูกหรือใช้วิธีอะไรดีครับลูกก็ดีนะเนี่ยนะรู้ว่าเป็นบาปอลองหาทางไล่มันดีไหมไล่มันไม่ให้มันกัดนะหรือว่าใช้วิธีการอะไรก็ได้ที่เป็นการไล่โดยที่ไม่ต้องถึงขั้นจะตบลูกไอจะตบจะตบจะต บ, จะตบยุงนะนะ พี่ว่าคงอธิบายคุณยา่ารู้ได้ว่าเนี่ยลูกเขาไม่อยากให้ตบตบยุงนะเพราะว่าตบยุงเป็นบาสนะแล้วแม่เนี่ยสอนลูกว่าข่าสัตว์ไม่ดีแต่แม่กับตบยุงใช้เองนะมันก็คงจะไม่ดีคงต้องอธิบายคุณคุณยา่าหรือคุณยายฟังได้ว่าการตบยุงเนี่ยมันไม่ดียังไงบ้างนะและถ้าเลี่ยงได้ก็จะดีก็คือว่าไลา่ไปสร้างหรือว่าสร้าง ทำสิ่งว่าล้อมให้มันมียุงไม่มากแต่สมาคิกว่าเสี่ยงต่อการเปิดยเป็นไข้เลือดออกเนี่ยสมาก็คิดว่ามันก็มีเปอร์เซ็นต์นะแต่ว่าโดยทั่วไปแล้วเปอร์เซ็นต์น้อยนะแม้กระทั่ทงในในกรุงเทพก็ตามเพราะฉะนั้นเนี่ยสมาคิกว่าไอการที่เด็กจะถูกยุงกัดนะมันก็ไม่ได้แปลการที่ไม่การที่ การที่เราเลือกจะไม่ตกอยู่เนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นอันตรายถยึงขนาดนั้นนะแต่ถ้าหากว่าจําเป็นหรือว่าเผลอตกไปก็ก็อธิบายให้ลูกเข้าใจแต่สมาชิกว่ายังไงก็ตามเนี่ยนะถ้าเราเลี้ยงได้เป็นดีอธิบายให้ให้ให้ญาติหรือยายเข้าใจด้วย <c oughs> เด็กอายุหขวบอาจารย์มีวิธีสอน <c oughs> เด็กอายุห้าขวบให้รู้จักการควบคุมอารมณ์ตนเองอย่างไร ว่เพืพ่อนๆที่โรงเรียนบอกว่าหลังจากโมโหร้องห้ทีไรก็ปวดหัวทุกทีในขณะที่ในขณะที่เวลาเด็กเวลาเด็กโมโ ห, โหนะถ้าเราไปห้ามเดี๋ยวว่าอย่าโมโหอย่าโมโหโมหโมหไม่ดีเนี่ยมันก็หนึ่งไม่มีประโยชน์ สองไม่เกิดผลได้จะเกิดผลเสียได้ก็ได้เพราะว่าถ้าเด็กพยายามกดข่มความโกรธความโมโหไว้นะแต่ทวามเดียกกันเวลาเด็กเวลาเด็กเจ็บแล้วเด็กร้องไห้ก็อย่าไปบอกว่าไม่เจ็บไม่เจ็บนะอย่าร้องไหนะ้คือตมาคิดว่าการที่ให้เด็กการที่เด็กเขาเนี่ยเขามีอารมณ์ไม่ว่าจะเขาจะโมโหไม่ว่าเขาจะเจ็บจนร้องไห้เนี่ยนะอย่าไปห้ามเขา แต่ว่าให้เขารู้ให้เขารู้อารมณ์ที่มันเกิดขึ้นในตอนนั้นนะว่าตอนนี้โมโหใช่ไหมตอนนี้ตอนนี้เจ็บตอนนี้กลัวใช่ไหมนะบางทีเราต้องถามเขานะและถามไม่พอนะบางทีก็ต้องแนะนำเขาด้วยนะเช่นเวลาเช่นเวลากลัวหรือเวลาโมโหเนี่ยนะสมมุติว่าไ ม, ไม่ได้โมโหถึงขั้นร้องไห้เนี่ยให้เขามาดู อารมณ์ของตัวให้เขามาหรือบอกได้ว่าอารมณ์ของตัวตอนนั้นเป็นอย่างไรเด็กคนนึงอายุห้าขวบนะ <c oughs> วันหนึ่งเนี่ยก็ไปก็ไปเก็บดอกไม้มาให้มาให้ย่าแกเป็นเด็กที่ค่อนข้างมีอารมณ์ศิลปินนะผู้ชายเก็บดอกไม้สีแดงใส่แจ็จจัน 1เก็บดอกไม้เด็ดดอกไม้สีเหลืองมาใส่เจ็กอีกแจกกันหนึ่งแล้วก็มาให้ยายาก็ขอบคุณนะชมลูกใหญ่แต่พอลูกไปยาก็มองว่าถ้าให้ถ้าดอกไม้เนี่ยมันคล้ากกันจะสวยกว่าก็เอาสีเหลืองมาปนกับสีแดงเอาสีแดงวนกับสีเหลืองนะพอเด็กมาเห็นเด็กก็โกรธเด็กไม่พอใจเด็กวยวายตอนนั้นยาไม่อยู่อยู่แต่แม่ เธอว่าเด็กก็ไม่พอใจแม่ก็บอกว่าเดี๋ยวแม่ทําให้นะจะย้ายกลับไปใหม่เปลี่ยนดอกไม้กลับไปใหม่เด็กก็ไม่ยอมแม่บอกว่าเดี๋ยวย่ามาจะบอกย่ารู้ย่าจะได้ทําให้มันกลับไปเหมือนเดิมเด็กก็ไม่ยอมอแม่ก็เริ่มฝืนแล้วนะพูดยังไงก็ไม่รู้เรื่องแต่แม่ก็มีสตินะแล้วแม่ก็เคยเคยว่าเคยใช้วิธีด่าลูกแรงๆหรือแม้กระทั่ง ขู่ว่าจะตีหลายครั้งแต่ก็หลังเธอก็รู้ว่าวิธีนี้ไม่ดีเธอตั้งสติได้เธอก็เธอก็พยายามที่จะพูดกับลูกดีๆวิธีการพูดงเธอ ก, ก็คือว่าเนี่ยคุยด้วยดจะได้ผลก็คือว่าถามลูกว่าลูกโกรธย่าเพราะอะไร เ, เด็กก็อธิบายโกรธย่าเพราะเอาดอกไม้ของเขามาผลกัน อ๋อลูกโกรธย่านะเพราะว่าย่าเนี่ยเอาดอกไม้มาปะปนกันตอนนี้เนี่ยลูก่็โกรธแค่ไหนโกรธแค่นี้โกรธแค่นี้หรือโกรธเท่าฟ้าเดี๋ยวก็บอกโกรธเท่าฟ้าเลยเหรออ๋อแทนที่เธอจะตกใจนะผมโกรธญ่าเท่าฟ้าเต็กอ๋อนั่นเดี๋ยวแม่จะบอกญ่าให้นะว่าปานเนี่ยนะโกรธญ่าเท่าฟ้า เด็กก็พยักหน้าสักพักเด็กก็หยุดร้องไห้หยุดวอยวายแล้วประเดี๋ยวเดียวเด็กก็วิ่งออกไปเหมือนก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นไปวิ่งเล่นที่อื่นนะเด็กหายโกรธหายโกรธทันทีเลยสิ่งที่หายกลธเพรอะไรหายโกรธเพราะแม่เนี่ยทำตัวมันกระจกที่ทำให้เด็กเนี่ยได้เห็นอารมณ์ของตัว ในสมาคิดว่าเนี่ยสิ่งที่พ่อแม่จะช่วยลูกได้เนี่ยก็คือทำให้เด็กเขาได้เห็นอารมณ์อย่าอย่าห้ามอย่ากดคมความนิ่งของผู้ใหญ่หรือว่าการที่พูดชี้แนะให้เด็กเข้ามาดูนะมันช่วยได้ความกลัวก็เหมือนกันนะความกลัวมีมีพ่อคนหนึ่งเนี่ยได้ฟังเรื่องนี้ พ่อนี่มีปัญหาก็คือลูกเนี่ยนะอายุไล่ไล่กันสามสี่ขวดจะไม่ได้โกรธแต่กลัวกลัวโปะเวลาจะข้ามเรือนเวลาจะข้ามแม่น้ํานเนี่ยเวลาอุ้มลูกลงโปะเนี่ยเพื่อจะขึ้นเพื่อจะลงเรือนเนี่ยลูกก็จะตกใจแกจะแพนิกมากเลยแกก็จะวอยวายนะให้พ่อเนี่ยนะรีบออกจากโปะพ่อพยายามอธิบายลูกว่ามันไม่มีอะไรน่ากลัว นะแม่พ่ออยู่กับลูกไม่ต้องกลัวพ่อกอดลูกไว้น่นอธิบายเหตุผลย่างไรไม่มีความหมายนะลูกก็ยังกลัวแต่พอพ่อได้ฟังเรื่องราวของของเด็กคนที่หายโกรยพ่อแม่เนี่ยทาให้ลูกมีสติแกก็อยากจะลองดูให้มันจะได้ผลกับลูกของแกจริงหรือเปล่าวันหนึ่งแกก็อุ้มลูกเนี่ยลงโป้ะนะลูกก็เหมือนเดิมนะ่ะมีอาการออกการันตี แต่แม่ไอพ่อในแทนที่จะบอกลว่าลูกอย่ากลัวหลูกอย่ากลัวนะพ่อถามว่าตอนที่ลูกเป็นยังไงกลัวว่ากลัวมันเป็นยังไงไหนร่างกายเป็นยังไงหัวใจเป็นยังไงเด็กอหัวใจมันเต้นเร็วผนลุกตัวเกรนงหายใจลมหายใจมันสั้นอะไรเงี้ยเดก็กอธิบายเดก็กอธิบายได้นะ <c oughs> แล้วใจมันเป็นยังไงใจมันกลัวใจมันหนัก เด็กก็อธิบายสักพักเด็กก็หยุดนะแล้วเด็กอยู่ๆเด็กก็ปล่อยมือแล้วก็ลงมาวิ่งเล่นอยู่รอบโตะรอบโต๊ลโเลยเด๋ยกขายกลวนทีเลยนะอันนี้สิ่งที่พ่อทําเนี่ยคืออะไรก็คือทําให้ลูกมีสติมามาเห็นกายเห็นใจซึ่งอันนี้คือสติปัฏฐานสี่อะไรนะมารู้กายรู้ใจรู้ว่าตอนที่กลัวเป็นอย่างไรอร่างกายทางกายเป็นยังไงนะใจมันเป็นอย่างไรนะ เวลาโกรธจามาว่าก็ทํานี้กับลูกได้นะกับเด็กได้คือให้รู้ว่าเนี่ยกลายเป็นอย่างไรทํากับตัวเราเองก็ได้เวลาเราโกรธเนี่ยสังเกตร่างกายเราไหมเป็นอย่างไรหลายคนตอบไม่ได้นะเพราะไม่เคยสังเกตนะเช่นหัวใจเต่นเร็วตัวเกรงขนลุกหรือว่าหายใจที่สั้นอะไรเงี้ยนะาะมาว่าเนี่ยคนที่โกรธนะแล้วก็ห้ามใจไม่อยู่งทีลองกลับมาดูกายก่อนแล้วลค่อยมาดูใจ ใจที่มันร้อนใจที่มันมั น, ม, นมันกระสับกระส่ายเนี่ยนะแค่เนี้นะมันจะช่วยทำให้ลดลงไปได้อันนี้ะมาคิดว่ากับเด็กห้าขวบเนี่ยทำได้นะ รอนกอโอห้าสองอเนะคะเล่นาสีขาววงบูสี่เ้าห้าแล้วก็โพวรรสีขาวชอช้างงูส7เ็ดตุเเป็นสีรอนสองกอไก่วงแงห้างนะคะูร์่น้องเขเพ่สูาค่ะแ่ออกไม่ได้ต้องอกเลกแนเรืน คำถามใกล้ๆกันนะใล้ๆ ก, กันขอเรียนถามว่าลูกๆชอบไปอ่านเรื่องราวเรื่องผีแล้วทําให้เกิดความกลัวผีในการที่อยู่คนเดียวจะมีวิธีปฏิบัติเพื่อการแก้ไขการกลัวผีของลูกๆได้อย่างไรนะก็เวลาลูกกลัวผีก็ต้องให้ให้ท่านทองสังเกตความกลัวของตัวว่าตอนที่มันกลัวมันเป็นอย่างไรนะแล้วก็อาจจะให้อุบายเด็กว่าเวลากลัวผีเนี่ยให้ลองสวดมนต์นั่งสมาธินะนึกถึงพระพุทธธรรประสงค์ บางทีเด็กเนี่ยนะนอกจากการที่ให้เขาเห็นความกลัวของตัวโดยการมาดูกายดูใจแล้วเนี่ยถ้าทํำสิ่งที่ง่ายง่ายง่าเช่นให้เขาสวดมนต์แลนึกถึงพระธัตไตรัยอาจจะให้นึกถึงพระพระในบ้านพระพุทธรูปกันนะให้ใจเขาเนี่ยน้อมนึกนะเวลากลัวเนี่ยให้นึกถึงพระพุทธรูปในบ้านให้มันเห็นเป็นภาพเลยนะโดยพระพระภักของพระองค์ซึ่งเต็มไปด้วยความเมตตากรุณา หรือให้เห็นถึงว่ า, ามีรัศมีส่งประกายมาเพื่อที่จะคุ้มครองจิตใจของเราหรือจะให้เขาเห็นว่าเนี่ยบารมีของพระพุทธเนี่ยก็สามารถจะขับไล่สิ่งที่น่ากลัวที่เป็นพลังลับให้ไปได้เนี่ยอันนี้ทำให้เขามีสมาธินะกับการที่คือความกลัวเนี่ยมันมีประโยชน์นะฮะความกลัวเนี่ยมันสามารถจะเป็นเครื่องมือใช้ในการฝึกสมาธิได้ นอกจากเป็นเครื่องมือในการถูกเจริญสติหลนะวงพ่อชาท่านเล่าว่าสมัยที่ท่านไปจารึกชื่อดงในป่าเนี่ยมีครั้งนึงท่านปักกรดอยู่ผูเ้เดียวนะกลางดึกท่านกำลังนั่งสมาธิอยู่เนี่ยท่านได้กลิ่นกลิ่นอย่างนี้เนี่ยนะแม้เป็นการได้กิ่นครั้งแรกก็รู้เลยว่าคือกินสาบเสือมนุษย์เรานี่มันรู้เลยนะแม้ไม่เคยได้ได้กินสาบเสือแต่พอได้กลิ่นจะรู้เลยว่าเนี่ยเสือ ท่านกลัวนะกลัวตื่นตระหนกตกใจเนี่ยขนลุกเลยแต่ในลาเด็กันเนี่ยเนื่องจากความกลัวมันมีมากเนี่ยจิตของท่านเนี่ยแทนที่จะส่งออกนอกก็กลับมาที่ลมหายใจตอนนั้นเนี่ยท่านไมกล้าคิดออกไปนอกตัวเลยเพราะถ้าปล่อยจิตออกไปนอกตัวเมื่อไรเนี่ยมันจะนึกถึงเสือแล้วก็จะกลัวมากความกลัวเนี่ยมันมันทําให้จิตเนี่ยนะจิตที่มันกลัวเนี่ย มันเลยไม่กล้าส่งออกนอกจิตมันจะแน่นแน่นอยู่กับลมหายใจเพราะความกลัวท่านเกิดสมาธิเลยสมาธิของท่านดิ่งมากนะถ้าลืมตาทีเช้าลแล้วแสดว่าท่านสมาธิเนี่ยเป็นชั่วโมงช่วโมงเลยเป็นสมาธิที่เกิดจากความกลัวหรือผู้อใหญ่คือท่านใช้ความกลัวให้เกิดประโยชน์ความกลัวในการที่ทําให้จิตมีสมาธิดีเพราะตอนนั้นเนี่ยจิตมันไม่กล้าส่งออกนอกนะ เวลาเด็กเวลาเด็กกลัวผีเนี่ยน ะ, อะลองให้เด็กเนี่ยลองนั่งสมาธิแล้วก็ถ้าไม่ใช่สดบ น, นก็ให้นึกจินตนาการเป็นภาพถึงพระรันาตนตรัยหรื อ, อพระพุทธรูปหรือพระพุทธเจ้าเลยก็ได้แล้วก็ให้จินตนาการว่าท่านกําลังนะปกปักรักษาเราหรือว่าท่านกําลังแผแผ่บารมีนะเพื่อคุ้มครองเราให้ปลอดภัย อันนี้ธรรมเชื่อไปทำให้เด็กมีสมาธิาได้ฝึกสมาธินะสองอย่างแล้วนะสติแล้วก็สมาธิสติคือการมาดูใจเวลาที่มันกลัวแต่ต้องดูให้ดีนะถ้าดูไม่เป็นนี่มันหลุดเข้าไปในมันความกลัวมันดูเข้าไปเลยนะหลายคนเนี่ยพอไปดูความกลัวดูไม่เป็นนะกลายเป็นจมหายเข้าไปนในความกลัวยิ่งกลัวหนักเข้าไปเลยต้องดูให้เป็นเพื่อนประการต่อมาคือให้เขาเห็นว่า มนุษย์ก็ดีหรือสิ่งที่เราเรียกว่าผีก็ดีเนะี่ยเขาก็เขาก็ก็ไม่ต่างจากมนุษย์นะบางทีเขาต้องการมาขอความช่วยเหลือจากเรานะเราก็แผ่เมตตาไปให้เขาแผ่พึงกุศลไปให้เขานะอันนี้ใช้พลังเมตตานะอย่าไปกลัวเพราะเขาคือเพื่อนร่วมทุกข์นะ ผีพวกนี้อัมพตุคนนี้ก็เป็นเพื่อนร่วมทุกขเขาก็ต้องการเขาก็มีความทุกข์แต่เขาก็พ่ายแพ้กับความดีนะเราก็แผ่เมตตาไปให้ตั้งจิตปรารถนาที่ไปให้เขาหรือไม่ก็ะสวดบทกรณีเมตตาสูตรก็ได้นะอันนี้ก็พูดง่ายคือสติสมาธิและเมตตาเนี่ยเอามาใช้ได้ แล่จริงก็ต้องลองถามเขาตอไปนะว่าทําไมรู้กลัวผีแล้วทำไมชอบดูเรื่องผีนะมันแปลว่าอะไรนะไอ้เขาสอนเขารู้เออยิ่งเรากลัวอะไรเนะี่ยเราใจเรายิ่งจดจ่อยิ่งยึดติดถือมากกวสิ่นั้นยิ่งไม่ชอบอะไรในใจยิ่งจดจ่อมันไม่ใช่แค่ไม่ใช่แค่ความไม่ใช่แค่คมมคเรื่องผีเรื่องอื่นตัวก็เหมือนกันเวลาโกรธไม่ชอบใครทําไมใจมึงชอบจดจ่ออยู่กับคําพูดหรการกระทําของเขา ใช้โอกาสเนี่ยทำให้เขามารู้จักจิตใจเขาดีขึ้นให้รู้จักเขาให้เขารู้จักธรรมชาติของใจว่ายิ่งผักใส ย, ยิ่งยึดติดนะคุณแม่จะอธิบายน้องสามขวบเกี่ยวกับเรื่องความตายได้อย่างไรเนื่องจาลูกเห็นในนิทานว่ามีพ่อเสือตายอยู่ก็ร้องไห้บอกว่าไม่อยากให้พ่อแม่ตายอันนี้อาจจะต้อง ถ้าเกตมาก็ไม่เคยมีประสบการณ์นะแต่คิดว่ า, าถ้าเราสามารถจะทำให้เขาเห็นว่าให้ความตายเนี่ยมันเป็นปรากฏมันเป็นส่วนหนึ่งของปรากฏการธรรมชาติที่ชื่อว่าอนิจจรนะพาชิดขึ้นแล้วก็ตกนะกลางวันแล้วก็มืดดอกไม้บานแล้วก็ร่วงโรยนะหรือว่าใบไม้ที่มันกลีด มันเคียวแล้วก็มันก็แห้งร่อนร่อนล่อนเปลิวจับคั่วคือพายสอนว่าเนี่ยสอนให้เขาเห็นนะเห็นว่านิจจังในหมุมนิจกว้างขึ้นแล้วก็บอกให้อาจจะให้ให้เขาเห็นว่าความตายเนี่ยนะมันก็ไม่ได้มาถึงการพัดพร่าไปเสียทั้งหมดอาจจะให้เขาดู น้ำกรอนน้ําแข็งกรอน้ําแข็งเนี่ยที่เอาสักก้อนอก้อนใหญ่ๆก็ได้ในแก้วน้ําทิ้งไว้สวกักพักเราก็แก้วใกล้ก็ถางก็ว่าก้อนน้ําแข็งหายไปไหนกรอน้ําแข็งมละลายน้ําแข็งละลายแล้วไปไหนน้ำแข็งเราลอยู่ในในใ น, ในแก้ว ก้อนน้ำแข็งมันตายมันหายไปแล้วแต่ความตายคือเพียงแค่หายแต่ไม่ได้ไปไปไหนการที่น้ำแข็งหายไปเนี่ยก็เหมือนความตายของคนก็คือว่ามันเป็นแค่การเปลี่ยนสภาพน้ำแข็งเปลี่ยนสภาพจากน้ำเปลี่ยนสภาพจากของแข็งเป็นของเหลวแต่สุดท้ายก็ยังอยู่ในแก้วพ่อเสือก็ไม่ได้ไปไหนหรอกนะครับ พ่อเสือก็ไม่ได้เป็นไหนนะพ่อเสือเป็นงแต่เปลี่ยนสภาพเท่นั้นเองน้องม้อยเ้าใจว่าความตายเป็การเปลี่ยนสภาพแต่สุดท้ายเนี่ยนะไอความเป็นพ่อเสือก็อาจจะอยู่ในอยู่ในตัวของลูกเสือก็ได้เช่นเดียวกับพ่อเนี่ยก็อยู่ในตัวลูกนะครึ่งหนึ่งของลูกก็คือพ่อนั่นแหละอีกครึ่องกงคือแม่เพราะฉะนั้นเนี่ยนะ ให้ความตายมันไม่ได้มายถึความพลาดพลาดสูญเสียเป็นนินรันดร์นะมันก็เป็นแค่เปลี่ยนสภาพเท่านั้นเองไอ้เขาอกว่ามันเป็นส่วนของธรรมชาตินะที่มันแปรแปรผ่านไฟนะแต่ว่ามันไม่ใช่เป็นเรื่องของการศูนย์สิษย์เรียกว่าขาดศูนย์ไปช่วง น, น, นิรันดร์ก็ไม่ทราบว่าจะวิธีนี้จะอธิบายให้เด็กได้เข้าใจได้บ้งไหมเราลองดูนะ ตอนนี้ได้รับงานใหม่ให้ปเป็นเจราจากับมวลชนในบริษัทพลังงานแห่งหนึ่งเรื่องคือบริษัทนี้ทําเกี่ยวกับถ่านหินและแก๊สจะไปตั้งโรงงานพลังบรรจุและมีประชาชนมาประท้วงเนียกลัวระเบิดฝ่ายทุนก็อ้างมาตรฐานความปลอดภัยระดับสูงสุดแต่ประชาช น, นังกลัวทำอย่างไรจะแก้ไขความกลัวของมนุษย์ได้อ่าแตตมาส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องของข้อเท็จจริงข้อมูลนะคือ ไอ้ที่ที่มาตรฐานเนี่ยนะเราก็ต้องเชื่อเห็นว่ามาตรฐานมาตรฐานที่มีเนี่ยนะมันมันป้องกันเหตุร้ายได้เท่าไหร่ไอ้คาว่าร้อยเปอร์ซ็นไม่มีนะมันมีแต่ว่ากี่เปอร์เซ็นต์เท่านั้นแหละนะนะอันนี้เราก็ต้องจริงใจคนนะถ้าเราบอกว่ามัดกันได้ร้อยเอร์ซ็นเนี่ยแสดงว่าเราถ้าเราไม่รู้นะถ้าเราโง่ถ้าเราไม่โง่ล้วก็แสดว่าเราโกหก mm hmm. ใช่ไหมครับเมนไม่มีอะไรที่มันร้อยเปอร์นตะอ่ะใช่ไหม เพราะมันมี Error เกิดขึ้นในตลอดเวลาไม่ต้องพูดถึง Human Error นะแค่ Human น r r o r นี่ก็แค่นี้อย่างเดียวก็พอ ก, ก็รู้แล้วว่ามันมันซไม่ได้เพราะเพราะมนุษย์เราเนี่ยมันไม่มีหลักประกันอะไรเลยว่าจะไม่ทำผิดพลาดใช่ไหฮะเราบอกเด็กพี่นี่ว่ามาตรฐานเนี่ย ม, ถถมันป้องกันได้กี่เปอร์เซ็นต์สมมติเกสิบเอร์เซอีกสิเเนี่ย จะมีวิธีแก้ไขยอย่างไรหรือมีจะมีวิธีชดใช้เ ย, ออยีวยาอย่างไรต้องมาว่าข้อมูลเนี่ยมันต้องชัดแล้วก็ต้องตรงตามหลักวิชาอย่าบิดเบวอย่าโกหกเพราะว่าสมัยนี้เนี่ยสมัยนี้เนี่ยนะข้อมูลมันเข้าถึงได้ง่ายทางอินเทอร์เน็ตเดี๋ยวนี้วิความรู้ที่ธะทำระเบิดนาปาลมเนี่ยมันก็หาได้จากอินเทอร์เน็ตใช่มครัแล้วข้อมูลที่เป็นจริงก็มีที่เช็คก็มี ถ้าเราถ้าเราพูดไม่จริงหรือไม่ตรงตามความเป็นจริงเนี่ยแล้วก็ไปเจอข้อมูลที่มันจริงกว่าเนี่ยอันนี้ก็จะทําให้เกิดปัญหาตามมาข้อที่สองคือความไว้วางใจข้อมูลยังไม่สําคัญความจริงยังไม่สําคัญเท่ากับความไว้วางใจนะฮะคือหมายความว่าคนเราเนี่ยแม้เขาจะแม้เข้าใจได้ข้อมูลที่จริงยังไงก็ตามเนี่ยแต่ถ้าเขาไม่วางไม่ไม่ไว้วางใจเขาก็ไม่เชื่อนะแล้วถ้าคนเราถ้าไม่เชื่อเสร็จแล้วเนี่ยนะ พูดไปกี่พูดไปยังไงเขาก็ไม่ฟัง น, นสิ่งสำคัญ น, น, นอกจากข้อมูลแล้วเนี่ยคือความไว้วางใจความ trust นะสำคัญมากและ trust เนี่ยความไว้วางใจเนีมันต้องเป็นเรื่องที่ต้องสร้างขึ้นนะมันก็ขึ้นอยู่กับ record ของบริษัทนั้นว่านาไว้วางใจแค่ไหนแล้วก็รวมทั้งพฤติกรรมที่ผ่านมาว่าทําให้เกิดความไว้วางใจได้เพียงใดใส่ใจ ความผาสุขของคนรอบข้างหมนอกจากตัวเลขของบริษัทคือมันต้องมันต้องทำสองอย่างเนี่ยหนึ่งเอาข้อเอาความจริงมาพูดกันแล้วความจริงต้องเป็นความจริงแท้ไม่ใช่ความจริงที่ที่ที่มันปรุงแต่งนะอย่างเช่เอามาบอกไม่มีคำว่าปลอดภัย 100% เนะมันมีมันมีโอกาสที่จะไม่ปลอดภัยได้อย่างน้อยก็อร์ สองความไว้วางใจอันนี้เราเพื่อสองข้อเนี่ยต้องต้องต้องผ่านให้ได้นะแล้วเรื่องอื่นเนี่ยมันก็จะคุยกันได้ง่ายขึ้นปัญหาของเมืองไทยตอนนี้คือว่าหนึ่งมันไม่ไ ม, ไม่ไม่ได้เอาความจริงมาพูดกันสองทไม่มีความไว้วางใจกันแอบปฏิละกันมาก เพราะฉะนั้นเนี่ยแม่กระทั่งทุกวันนี้เราพูดเรื่องปลองดองพูดอะไรก็ตามเนี่ยถ้าไม่มีข้อเท็จจริงมาพูดแล้วก็ไม่มีความไว้วางใจกันไม่รูปหน้าปัดจมูกกันเนี่ยมันก็ยากเพราะฉะนัะ้นเนี่ยจะมาฝากไว้สองข้อนะฮะอันนี้ซึ่งอาจจะเป็นเรื่องความมันก็สัมพันธ์กับการเลี้ยงดูลูกหลานด้วยนะพ่อแม่จะพูดอะไรไปแม้จะปรารถนาดีแต่ไม่มีความไว้วางใจกับพ่อแม่กับลูกเนี่ยลูกก็ไม่เชื่อใจพ่อแม่เพราะไม่รู้พ่อแม่พูดจริงหรือเปล่านเนี่ย ให้ความจริงที่เราพูดก็ไรความหมายแล trust ความไว้วางใจไม่ใช่แคไ่ไว้วางใจว่าเราเราพูดจริงเท่านั้นแต่ไว้วางใจว่าเราปรารถนาดีกับเขาหรือว่าเราเรารักเขาไม่ว่าเขาจะเป็นอย่างไรก็ตามให้ความไว้วางใจนี่สำคัญ mm hmm. เมื่อก็ตามที่แม้ลูกเนี่ยจะจะเฮินทางกับพ่อแม่เพราะว่าความเป็นไวดุของเขา แต่แตราบใดที่เขารู้อยู่เสมอว่าแม่รักเขาพ่อรักเขาและยอมรับเขาได้ทุกอย่างไม่ว่าเขาเป็นอะไรก็ตามไม่ว่าเขาจะตกน้ําหรือว่าไม่ว่าเขาจะขึ้นรถลงเรือนะหรือว่าเป็นใครก็ตามเนะี่ยถ้าเขารู้ว่าพ่อแม่ยังรักเขาไม่ว่าเขาเกิดอะไรขึ้นนะเขาก็ต้องกลับมาหาพ่อแม่และนั่นแหละคือโอกาสสําคัญที่เราจะช่วยเขาได้เนะพราะนัน่นเนีไม่อันนี้ยตานพูกับ พ่อแม่ทีมีปัญหากับลูกนะโดยเพราะวัยรุ่นเนี่ยยังไงก็ตามทำให้เขามั่นใจในความรักของเราเสมอทํำให้เขาวาวงใจในความรักของเราเแม้เขาจะหันหลังให้เราแม้เขาจะไม่เชื่อฟังเรานะแต่ว่าถ้าเขามีสิ่งนี้ในใจเนี่ยนั่นหมายก็ประตูและหน้าต่างในโอกาสที่เราจะช่วยเขาในยามที่เขาเดือดร้อนเนี่ยก็จะเปิดกว้างเสมอธรรมาก็ใช้เราพอสมควรแนละก็ข อ, อยุติ 咱们家这边。